ในนี้ที่พูดถึงในเรื่องของมาร์กนะที่จริงก่อนจะพูดถึงมาร์กนี่ยก็พูดในเรื่องของอริยสัจนี่เพราะมาร์กขจัดจายสัจธรรมกล่าวคืออริยมาร์เนี่ยในขณะที่มาร์กขจัดจายเกิดขึ้นมันทําหน้าที่ได้สี่อย่างบริบูรณ์เลยนะถ้าพูดถึงมาร์กที่เป็นโลกุตตระเนี่ยก็คือกําหนดรู้ทุก ประการที่หนึ่งสองก็คือละสมูทยัยสามก็รับนิพพานเป็นอารมณ์ก็คือทำนิโรธเทแจ้งสี่ก็เกื้อกูลองค์มรรคที่เป็นสาชาาธรรมที่เกิดพร้อมกันกันกบตนองมรรคเกิดขึ้นก็คืออบม ร, ร ม, มรุปธรรมอรียมักคนี่นี่เป็นอย่างนี้ทีนี้คำว่ามรรคเนี่ยมีความหมายหลายหลากหลากหลายด้ยนะ แปลว่านทางก็ได้แปลว่าเหตุก็ได้หรือมรรคอริยมรมครมคคังคะมรรคสัจจะเนี่ยปฏิปทาข้อปฏิบัติมรรคปัจจัยนิพพานทวานหรืมีเวทมรรคเป็นต้นเนี่ยนะแนวทางที่สื่อต่อกันเป็นทอดทอดก็เรียกว่ามรรคนะเรียกว่ามรรคด้วย สำหรับในที่นี้คำว่ามรคอริย ม, ม, มรคมรคคังคามาาาารคสัจจะนเนี่ยมาจากคำว่าบาลีมจะเข้ามาเกลเสมาเรนโตคัตติติมโคมรกคะคือสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นและละกิเลสได้ในขณะเดียวกันแปลว่าอะไรมรคเกิดขึ้นเนี่ยเขาทำลายกิเลสมรคสัจเนี่เป็นชื่อของปัญญาเป็นต้นอะนี่ เกิดขึ้นทำลายกิเลสมีราคาโทวสัมมาเป็นต้นและอีกความหมายหนึ่งก็คือว่ามันจะคำว่านิพพานังมัคคติคเวเสติติมโคมัคคะคือสภาวะธรรมที่ค้นหาพระนิพพานมันคคะค้นหาส่อหานพระนิพพานคำว่าค้นหาพระนิพพานเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงรับเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์ อีกคำหนึ่งก็นิพพานติเกหิมัคคีติติมัคโหมัคคะคือสภาวธรรมที่บุคคลผู้ปรารถนาพระนิพพานพึงสแสวงหานั้นบุคคลที่ปรารถนาพระนิพพานพระพุทธเจ้าเนี่ยปรารถนาพระนิพพานไว้เจ้าสแสวงหาอะไรสแสวงหาเดีย๋ยวค้นทางนี้แหละมักนี่แหละปฏิปทานี่แหละทางดําเนินนี่แหละถ้าหาทางนี้ไม่พบ ก็ไม่ได้พระนิพพานใช่ไหมอีกความหมายหนึ่งมันมาจากคาว่าคำมตินิพานัติเกหิปฏิภัชยติติมัคโคมัคคะก็คือปฏิบัติที่บุคคลผู้ปรารถนาพระนิพพานพึงปฏิบัตินี่มาในสารัตถะที่เปนีิถ้าคนปรารถนาพระ น, นิพพานก็ต้องปฏิบัติก็ทําต้องทําให้มีทําให้เกิดขึ้น ทีนี่ในบรรดาอาริยมรรคเนี่ยนั่นหมายถึงโลกุตระมรรคเนี่ยมีสี่อย่างหนึ่งโสดาปฏิมรรคใช่ไหมอันนี้เป็นปฐมมรรคมรรคครั้งแรกที่เข้าถึงหรือสกาทาคารมรรคเขาเรียกว่าทุติยมรรคมรรคที่สองอนาคามรมรรคนี่เป็นตัตยมรรคมรรคที่สามอรหัตมรรคนี่เขาเรียกจ่าตุมรรคมรรคที่สี่ ในบรรดามารรคจิตที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีองค์มรรคแเข้าไปประชุมร่วมกันใช่ไหมอย่างอย่างขนาดจิตที่เกิดขึ้นหนึ่งขนาดในนั้นจะมีมรรคแคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามัสัมมาสติและสมาสมาธิไปประชุมพร้อมกันในขณะนั้นในจิตดวงนั้นเพราะว่าจิตดวงนั้นทํากิจในขณะจิตนั้ น, น, น, น, นทําลายกิเลสรอบรู้ทุกขลาสมูทยัยทํานิโรธ มีนิโรธเป็นอารมณ์ก็คือประชุมสาธาชาตธรรมในขณะมรรคจิตเกิดขึ้นไม่พอยังมีธรรมมากอื่นประชุมร่วมกันด้วยเกื้อกูลกันด้วยทําให้มรรคเกิดขึ้นทําลายกิเลสให้หมดสิ้นเลยนั่นแหละเป้าหมายว่าถ้าใครประชุมได้อย่างนั้นครบบริบูรณ์เมื่อไหร่แปล ว, ว่าทํากิจในทําอริยมรรคให้เกิดขึ้นถ้าประชุมครั้งแรกเขาเรียกปฐมมรรคมีโซดาคือโซดาปฏิมรรคประชุมครั้งที่สองเรียกทุติยมรรคคือสกัทาคาบิมรรคประชุมครั้งที่3าเรียกตาติยมรรค อนาคามาประชุมครั้งสี่ก็จะตุดจะตุธรรมะก็คืออาราธรรมะประชุมสี่ครั้งกิเลสหมดจากขันธสันดานแปลว่าคุณบริสุทธิ์หมดจดแล้วก็แปลว่าดับกองทุกดับวัฏทุทุกทำลายมานทั้งห้าทำมานให้ตาบอด <c oughs> จะไม่เห็นคนคนนั้นอีกต่อไปเลยมานจะไม่สามารถกำหนดทิศทางของคนนั้นได้อีกต่อไปนี่เป็นเป็นลักษณะอย่างนี้ อันนั้นก็คือว่าเป็นจุดหมายของพุทธบริษัทว่าทํายังไงเราจะทําให้มานั่นตาบอดคือมานตาบอดทีก่กิเลสมานก็มองไม่เห็นเราอีกต่อไปเนี่ยขันธมานก็ไม่สามารถจะเบียดเบียนเราจัดการเราฆ่าเราได้อีกต่อไปมัจจุมานคือความตายก็จะไม่สามารถมาฆ่าเราได้อีกแล้วก็อภิสังขารลมานมานคือภิสังขารก็ไม่สามารถกําหนดทิศทางให้เราไปตามอำเภอตามอำเภอใจก็ได้แล้วก็ เทพบุตมานก็มองไม่เห็นเราอีกต่อไปเนี่ยก็เรียกทำลายมารทามารในตาบอดมีเป็นปาฏณาเมย <c oughs> เนี่ยแต่ปาถนาอย่างนี้ เ, าเาขาเราียกว่าเขาเรียกว่ามรรคทั้งสี่นะสมาธิถีดได้แก่อะไรก็ได้แก่ปัญญานะคือความเห็นชอบนั่นเองเห็นอย่างถูกต้องก็คือเห็นในเรียสสีสมาสังกป่าได้แก่อะไรได้แก่วิตก วิตกในที่นี้ก็คือพวกเนคขมวิตกอภยาบาตรวิตกอวิหิงสาวิตกเป็นต้นใช่ไหมเนาะ อ, ออกแข่กามทั้งหลายสัมมาวาจาได้แก่สัมมาวาจาเจตสิกสัมมากัมมันตะก็คือการกระทําที่เว้นจากกายทุกจิตใาก็แก่สัมมากัมมันตะสัมมาชีวะก็เป็นสัมมาชีวะสัมมาวิมารได้แก่วิริยะสัมมาสติได้แก่สติสัมมาสมาธิก็ได้แก่เอกคตาคือความตั้งมัน่นแห่งจิต สภาพเจดสิกที่ไปรวมจิตเป็นหนึ่งเดียวถ้ามีเอกกคตาจิตเกิดขึ้นในจิตดวงใดจิตดวงนั้นก็จะเป็นเหมือนเหมือนในน้ําที่ผนึกผงแป้งให้ให้รวมกันให้เข้ากันแป้งมันกระจายใช่ไหมถ้าน้ําไปใส่ปุ๊บมันจะรวมมันจะรวมปุ๊บเป็นก้อนเลยดังนั้นถ้ามีจิตดวงไหนมีเอกคตาจิตไปเกิดขึ้นปุ๊บโอ้โหจิตดวงนั้นจะมั่นคงถ้าเอกคตาเกิดติดต่อนี่โอ้โหมั่นคงมาก นี่เป็นอย่างงี้มันพันดึกเลยไนอะเอกรักกาตานยแต่ตอนนี้ไม่ถ้าไม่มีเอกรตามนฟุงไปทั่วทัศน์ ส, สายไปทั่วเลยไอเอกรัาตามาปุ๊บเนี่ยมันมั่นคงในอารมณ์ใดในเรื่องใดมันจะอยู่ในเรื่องนั้นมีเป็นอยังงี้เออเวงทีเขาเรียกกันอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าอัดถังคิกกรรมมักมักแปดเนี่ยนะมักมีองค์แปดเนี่ ย, ยใช้คาว่ามักคังคะ ก็ได้องค์หรือเหตุเห็งมรกโดยองค์ธทมแล้วก็คือองค์มรกแปดนั่นแหละทีนี้มร์แปดมร์มีองแปดเนี่ยถ้าได้โสดาปฏิมร์เกิดขึ้นโสดาปฏิมร์ก็จะสามารถถอนทิฏฐานุสยัยวิจิกิชานุสัยได้อย่างเด็ดขาด แล้วก็ถอนอนุสัยอื่นๆที่จะไปเหตุให้ลงอบัยภูมิได้หมดอ น, นุใสกิเลสที่นอนคือกิเลสละเอยียดกิเลสที่นอนอยู่ในขันธสันดานคําว่านอนในที่นั้นน่ะมันไม่ได้แช่อยู่ตลอดเวลานะคำว่านุสัยในที่นั้นก็แปล ว, แว่าที่เรียกว่าอนุสัยเพราะอาจจว่ามันยังละมันไม่ได้ ถ้ามันได้เหตุปัจจัยมันก็กลับมาเกิดมันมีเชื่ออยู่อย่างนั้นเหมือนเรามีเชื่อมเเัเรองแต่ว่ามันยังไม่กําเริบอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ อริยมรรคเนี่ยที่ในเรียกคําว่าอาริยมรรคเนี่ยอริยะกับคําว่ามรรคอริยะก็ที่เราเดยมากเราเรียกกันก็คือพ้าอริยะก็แปลว่าประเสริฐนี่อะไรนี่ผู้เบียดเบียนกิเลสหรือทํากิเลสเนี่ยเบียดเบียนกิเลสเนี่ยเป็นชื่อของอริยะนะผู้บรรลุ มรรคธรรมและผลชื่อว่าอริยะก็ได้จนมรรคก็อย่างที่ได้กล่าวไปว่าทางทางดําเนินเมื่อกี้พูดถึงในเรื่องของโสดาปิมารเป็นต้นคําว่าอริยเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าเป็นอริยะก็แปลว่าห่างไกลจากกิเลสใช่ไหมห่างไกลจากกิเลสเป็นไปเพื่อล่ า, าเสาศึกบ้างทีนี้อัดของอริยมรรค หรือมร์เนี่ยถ้าเรียกให้เต็มก็เรียกว่าอัดถังคิกรมร์เขาเรียกาทางมีองแปดใชไ ม, ไม่ใช่ทางแปดทางแต่ทางเนี้ยอาศัยองแปดมาประชุมกันจึงเป็นทางอันประเสริฐถ้าใครสามารถดําเนินไปตามทางนี้ได้ไประชุมองแปดนี้ได้คนคนนั้นก็เป็นอริยะ และทางนี้บุคคลที่ค้นพบคนแรกคือพระพุทธเจ้าหรือมรรคอันประเสริฐมีองค์แปดประการแปดอย่างเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบเป็นผู้ค้นพบในัมพีสาระถะสมุจยยะท่านกล่าวสี่ความหมายในนินยานัดโถก็มีอาจว่าเป็นเครื่องน้ำออกจากทุกมรรคเนี่ยเป็นเครื่องน้ำออกจากทุก ไม่มีเครื่องใดที่จะสามารถนำออกจากชาติทุกชราทุกพยาธิทุกวันละะทุกได้อย่างแท้จริงแต่ถ้าใครประชุมเครื่ององค์เ <Sie> พลงแปดองค์นี้ประชุมแล้วดําเนินไปจนถึงจุดหมายปลายทางได้แล้วคนนั้นจะเป็นเครื่องนําออกจากทุกเขวะตะโถก็คือมีอาจว่าเป็นเหตุ ด, ดับเสียซึ่งกองทุก จะดับชาติทุทกชราทุกเป็นต้นไดน้และทัศนัตโถก็เป็นเครื่องให้เห็นพันนิพพานฉะนั้นในกระแสชีวิตของพวกเราเนี่ยเราเห็นอะไรมาหมดนะสีเสียงกิ่รถผพิตะัณทำอารมณ์แต่สิ่งที่เรายังไม่ได้เห็นคือพันนิพพานถ้าได้เห็นพันนิพพานเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแหละ เ, เห็นแค่ครั้งแรกครั้งเดียวในกิเลสมันหลุดจากใจเรื่องเป็นอย่างนี้ ถ้ายังไม่เห็นพระนิพพานยังไม่สัมผัสพระนิพพากิเลสไม่หลุดถ้าทำไอ้คำว่าทัศนโถนจะประชุมมรรคประชุมยังไม่ครบถ้าประชุมครบปุ๊บอะไรเนี่ยเขาจะกําหนดรอบรู้ทุกละสมุทยัยเห็นนิพพานพอได้สัมผัสพระนิพพานปุ๊บเนะี่ยการประชุมศาชาตธรรมและองค์มรรคนั้นในขณะนั้นน่ะมรรคนั้นก็จะเป็นตัวทําลายกิเลสทันทีเลยเห็นครั้งแรกปุ๊บเนี่ยวิจิกิจฉาหลุด ทิฏฐิหลุดไปจากใจทันทีเลยนี่ขนาดนั้นเลยนะอนุภาพของการการได้เห็นพระนิพพานนั้นการที่จะเห็นพระนิพพานได้ก็ต้องเป็นอริยมรรคเนี่ยประชุมอริยมรรคได้เขาเรียกทัศนัตถโถอธิปไตยตถโถก็คืออธิปฏิยัตถโถก็เป็นใหญ่ในการสำเร็จกิจในอันที่จะดับทุกข์ทั้งปวงได้นี่เขาเป็นใหญ่จริงๆนแต่มองนี้ก็คือ ทุกขนิโรธ่าคามินีปฏิปทาก็คือปฏิปทาที่ดำเนินไปเพื่อดับทุกข์เนี่ยถ้าอยู่ในอริยสัจสีมักมีองศาตมีเอกัตาตาเป็นหัวข้ออริยมรรค8ปก็ได้แก่สมาธิ ถ, ถึงสมาสมาธิเนี่ยเป็นที่สุดฉะนั้นความหมายความหมายของอริยมรรค เมื่อพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้ธรรมหรือตัดสรู้อริยสัจ ส, สี่ความจริงันประเสริฐแล้วก็แสดงแนวทางการปฏิบัติที่เรียกว่าถ้าเราดูในธรรมะจา ก, กรัพวัตนสูตรใช่ไหมพระเจ้าก็แสดงว่าบัญญัตชิตไม่ควรเสพการ ม, มาสุขาริการุโยคหมกมุ่นในการมาสุขในการมคุณทั้งหลายกับอัตกิรมัฐานุโยกการประกอบตัวเองให้ลำบากไม่ใช่ของภาริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์เนี่ย แล้วพุทจาก็บอกว่าที่บอกว่ามัชฌิมาปฏิปทาไม่เอียงไปในใกล้ที่สุดสองข้างก็คือว่าทําให้ประจักษ์ทาให้รู้ชัดย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตต่สรุปเพื่อพระนิพพานแล้วบุรธเจ้าก็พระสมณโคโดมเป็นผู้ปกติกล่าวตามการเป็นการลวาทีกล่าวถูกต้องตามที่เป็นจริงเป็นผู้ลวาที กล่าวโดยอาจเป็นอัถวะทีกล่าวโดยธทมเป็นธรรมวะทีเป็นวิววนัยานาวะทีด้วยพุทธดำหลักที่ตรัสในธรรมจักรกับโพธนสูตรที่บอกมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางทําให้เกิดจักสูทําให้เกิดปัญญาเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ปัจนายานเกิดแล้วก็เป็นปัจจัยมรรคยานเกิดขึ้นมรรคยานผลยานนิพพานเนี่ย ถ้ามองนี้ก็จะได้เห็นว่าอ๋ออันนี้เป็นทางสายกลางนะเป็นไปเพื่อสงบกิเลสเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งใช่ไหมเป็นมัชิมาปฏิบทาทีนี้มัชิมาปฏิบทาทางปฏิบัติเพื่อความสงบกิเลสเนี่ยเป็นเหตุให้กิเลสเศร้าหมองเร่าร้อนได้สงบลงเนี่ยในขณะที่ผู้ปฏิบัติอบรมหรือจเจริญอริยมรรคผู้นั้นกิเลสก็จะถูกระงับด้วยวิปาาัสสนาญาณใช่ไหมถ้าระงับชั่วคราวก็เรียกแต่ทันข้าหาน ละได้ชั่วขราวทา่าละโดยการข่มไว้เขาเรียกวิคัมพะนัปปาราหะโยกําลังของสมาบัติสมาธิทล่ละโดยดัดเด็ดขาดเขาเรียกสมุเฉ ท, ทปหาหทีนี้พวกเราเนี่ยเวลาเราเดินยานปัญญาทั้งหลายเหล่าเนี้ยเราก็ละไปชั่วขณะเขาเรียกตาทางข้าพหะไปเรื่อยๆเรื่อย ด้วยการที่เจริญอริยมรรคหรือเจริญวิปัสนาญาณทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นจนสา ม, มารถละชั่วขณะไปได้เรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆจนในที่สุดการละที่แก่กล้ามากขึ้นมากขึ้นเร็วชัดมากขึ้นให้สังเกตดูนะว่าใหม่ๆเนี่ยเราจะละได้ไม่ค่อยไม่ค่อยชัดเช่นเวลาเราเห็นอะไรปุ๊บเนี่ยปัญญาสติสัมปชัญญะไม่เกิดเร็วใช่ไหมพอมันเกิดเร็วปุ๊บมันจะละได้ทันทีในขณะนั้น แต่บางครั้งมันเกิดไหมมันไม่เกิดนี่แปลว่ามันยังละไม่ได้ฉะนั้นบุคคลที่เขาเกิดความชํานาญเนี่ยสติสัมปชัญญะที่เขาแข็งแรงเนี่ยเละท่าตลอดบอกเห็ น, นยไงในการละแต่ละครั้งเร่อแต่ว่ามรรคองแปดของมรรคประชุมรวมกันต้องประชุมรวมกันถึงจะละมันไม่ประชุมได้ถึงแปดหรอกมันอาจจะประชุมได้ห้าได้สี่แล้วก็ว่าถึงจะไม่เป็นการละ ใช่ถ้าประชุมได้ครบหมดยังไงก็คือการละถาวใช่บรรจะ้ละเป็นสมบูเชตปังฮะจากนั้นปัจจุบันเนี่ยเราประชุมได้ไม่ครบไงอาจจะประชุมได้สีได้ห้าอะไรก็แล้วแต่พอประชุมไปอย่างเงี้ยประชุมไปเรื่อยๆเรืๆมัก็ละไปเรื่อยนัเข้านัเข้ามันก็จะมีกําลังพลังมากไปเรื่อยด้วยการที่ละถี่ขึ้นถี่ขึ้นถี ข, นถ ข, นขึ้นถี่ขึ้นนัเข้านัเข้าฉลาดในอารมณ์ทุกอารมณ์ในเรื่องราวทุกกระลังในทวารทุกทวารใช่ไหม ที่เจอจริงๆเมื่อประชุมองค์แปดปุ๊บเนี่ยมันไปนรวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นมา้าคัตสมังคีอะไรพ๊บเป็นสมุทรเจด้าประหารละได้เด็ดขาดเชนั้นการละแต่ละครั้งเนี่ยมีผลไห ม, อมเออมันมีผลมีผลหลายคนก็ไม่เข้าใจกันใช่ไหมบางคนกล่าวว่าปีหนึ่งไปทําสักครั้งหนึ่งเนี่ยมันถึงมันถึงไปไม่ได้นี่แหละจะได้ทําความเข้าใจให้ชัดว่า มันเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ทีนี้ความสำคัญของอริยมรรควีองแปดเนี่ยเป็นเป็นปีท้ายเข้าถึงทำหลายประการนะหนึ่งการประชุมที่เราจะต้องประชุมมรรควีองแปดเนี่ยให้ได้เพื่อจะกระทำให้แจ้งสึ่งพระนิพพานใช่ไหม ประการต่อมาก็คือว่าการประชุมอารียมาร์องแปดเนี่ยถ้าครั้งที่หนึ่งเป็นโสโดาบันครั้งที่สองสกาทาคาครั้งที่สาเป็นอนาคาครั้งที่สี่ก็เพื่อทําให้แจ้งอาณาจผลอาณาธรรมคือจะได้เป็นบ้านอาหารานั่นเองประการต่อมาคือการประชุมมาร์กแต่ละครั้งเพื่อทําลายเพื่อละอะไรราคะความกําหนัดโทสะความโกรธโมหะความหลงอันแรกก็คือการละชั่วขณะไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆที่จริงเมื่อประชุมครบมันจะละได้เด็ดขาดานี่นะ และก็เพื่อกําหนดรอบรู้ทุกข์ใช่ไหมการที่เรา เ, เดินมรรคเนี่ยเดินมรรคขัต จ, จักรเดินมรรคภาวนาให้เกิดขึ้นดาเนินไปตามศีลสมาธิปัญญาเนี่ยอันนี้ก็เพื่อจะกําหนดรอบรู้ทุกข์นั่นเองปัญญานี่แหละเมื่อเราเดินขึ้นไปพัฒนาไปเรื่อยๆมันก็จะรอบรู้ทุกข์การรอบรู้ทุกข์ทุกขั้นตอนได้เมื่อไหร่ก็แปลว่าอย่างปัจจุบันเนี่ย เรามันไม่เห็นด้วยความเป็นทุกข์ไงพอไม่เห็นด้วยความเป็นทุกข์แล้วตัณหามันไม่คลายตัวตัณหาวันนาทิ่ที่อวิชชาทั้งหลายมันไม่คลายตัวใช่ไหมเมื่อได้เห็นด้วยความวันนี้ทุกข์มาอะไรเนี่ยนะเป็รอบรู้ได้มากเท่าไรปุ๊บเนี่ยตัณหามันไม่มีที่อิงอาศัยโมหะไม่มีที่อิงอาศัยอุปาทานไม่มีที่อิงอิงอาศัยกรรมสังขารทั้งหลายมันไม่มีที่อิงอาศัยอ พรามันเห็นด้วยความว่าไม่ว่าจะเป็นอดีตก็เป็นทุกข์ปัจจุบันก็ทุกข์อนาคตก็จะทุกข์ใช่ไหมภายในภายนอกอย่าละเอียดเลวปไปนี่ไกลและใกล้ทั้งหลายเหล่านี้ยมันเห็นด้วยความเป็นทุกข์หมดถ้าเห็นอย่างนี้เบีดเสร็จปุ๊บแปลว่าอะไรกิเลสมันไม่มีที่ตั้งแล้วถ้าไปมองไปที่ทนายปุ๊เห็นด้วยความเป็นชอบหรือไม่ชอบหรือเฉยๆถามว่าเห็นเห็นทุกข์ไหม นั้นไม่เห็นไม่เห็นแล้วกิเลสมันคลายตัวไหมล่ะมันไม่คลายหรอกโมหะมันก็มาวเห็นปั๊บโมหะมาไหมล่ะมาได้ยงไงจะไหมล่ะเพราะไม่เห็นด้วาเป็นทุกข์นี่ถ้าเห็นด้วยความเทุกข์จะเห็นยังไงเป็นปัญหาเห็นความไม่เห็นความเ่นแจงทนอยู่ไม่ได้ก็พยายามเลื่อนเลื่อนตัวเห็นเหตุ นั้นเวลาถ้าเราเห็นทุกข์เนี่ยเห็นตามความเป็นจริงไอ้ตัวทุกข์ที่มันที่เราเรียกว่าชาติทุกข์เป็นทุกข์ธรรมชาติเนี่ยมันชาติทุกข์ชราทุกข์ปยาทุกข์มรณะทุกขโศกก็คือเห็นรูปขันธ์เห็นด้วยความเป็นรูปขันธ์เห็นด้วยความเป็นเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์ตัณหาขันธ์มิจฉาขันธ์เห็นเป็นกระแสชีวิตที่มีคกายกับใจและรูปกับนามที่มันแปรเปลี่ยนไปตามอายาบทต่างๆใช่ไหม ที่เปลี่ยนไปเนี่ยที่ให้ยิงคันห้ายืนกันห้าเดินขันห้านั่งขันห้านอนขันห้ากินดื่มเคี้ยวริมมือเป็นขันห้าขันห้ายืนขันห้าเดินขันหนั่งตื่นหลับพูดนิ่งเป็นขันห้ามันเห็นด้วยความเป็นสภาวะธรรมค่ะคือขันห้าที่มันแปลเปลี่ยนไปตามสภาพต่างๆตามกฎตรีักถ้าเห็นอย่างนี้จริงๆโมหะดัำไหมวิชาเกิดไหมเนี่ยวิชาเกิดความกำนัดขัดเคืองหายไปไหม สติดทำเป็นชันย่มาแทนเลยลกักษณะงนี้เขาเรียกเย็นทุก็เธอสมคืออย่างนี้ใช่ไหมล่ะการเข้าไปเห็นรอบรู้ทุกก็คือการดําเนินไปตามมัชชิมาไปด้วยนที่บอกว่าไม่ได้ต้องทําอะไรก็ ค, คือว่าเรากําลังประกอบมาร์กให้เกิดขึ้นด้วยการเข้าไปดูแล้วเห็นดำมเป็นจริงของตัวทุกนั่นแหละนั่นแหละก็เรียกปฏิบัติ นั่งอย่างนี้ไขควงได้ไหมได้ใช่ไหมเออนี่แหละปฏิบัติเป็นอย่างนี้ก็คือทําให้ปัญญามันดําเนินไปทําให้สมาธิมันดําเนินไปทําให้ศีลมันดําเนินไปทําให้ศรัทธาที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญทําให้วิริยะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญทําให้สติที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญ ทาให้สมาธิ ท, ท, anger, ที่ยังไม่เกิดก็ให้เกิดขึ้ น, ท, น, นที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญไปบูนทําให้ปัญญาที่ยังไม่เกิดก็ให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญไปบูนยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่เขาเรียกว่าปฏิบัตินี่เขาเรียกว่าเจริญมรรคอบรมมรรคบางทีก็เรียกวิปัสสนาแล้วอันที่บอกว่าเป็นมรรคผลไม่เข้าใจ ธรรมะเกิดขึ้นก็คือขนาดจิตขนาดจิตใดที่ประชุมองค์มรรคแปดได้ครบแล้วทากิจในการประหารกิเลสขนาดจิตนั้นเรียกว่ามรรคจิตเขาเรียกว่ามรรคพอประหารกิเลสได้ปุ๊บขนาดต่อไปก็เสวยผลจากการที่กิเลสหลุดจากใจแล้วอันนั้นเขาเรียกผลติดต่อกันทันทีเลย เออในเรื่อว่างผลแต่ตอนนี้มันยังไม่เกิ ด, ดพกเพราะว่ามันก็ได้แค่ผลพื้นฐานผลที่เป็นโลกี้เป็นผลที่ไม่แน่นอ น, นการทางคะเนีมันเป็นผลในลักษณะว่ามันไม่ได้เกิดติดต่อกันมันต้องอาศัยการเวลาผลแบบน เ, นรรมมเนี้ยเช่นฟังธรรมะเนี่ยกว่าจะรู้เนี่ยต้องใช้อาศัยการเวลาทั้งนานใช่ไหมมันไม่ได้ติดต่อขณะนี่ไม่เหมือนมากกับผลนี่ พอประชมองค์มาร์กไปปุ๊บประชมไปจนครบปุ๊บครบองค์8ประการปุ๊บพลร ก, กิเลสได้ปุ๊บขนาดนั้นเป็นมาร์กขจิตพอมาร์กขจิตดับไปปุ๊บติดต่อกันเป็นผลและจิตเลยแนเนี่ยไม่ไม่มีระหว่างเลยต่อไปเป็นสภาพจิตธรรมดาเป็นกุศลจิตธรรมดาแปลว่าท่านบุญนั้นนะ่ยกิเลสหลุดจากใจแล้ว นั่นมาใช้จิตธรรมดาก็เป็นกุศลแล้วต่อไปจิตธรรมดาของท่านผูนั้นไม่มีกิเลสก้มรวมอีกต่อไปเป็นกิเลสที่สะอาดบริสุทธิ์ใช่ไหมเป็นบุคคลที่สะอาดแล้วอย่างพระพุทธเจ้าใช่ไหมพอกิเลสหลุดจะได้มรรคได้มรรคได้ผลเกิดสืบต่อกันปุ๊บต่อมาพระพุทธเจ้าเป็นเป็นบุคคลที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นอิสระเสรีภาพแล้วไม่ต้องทํามรรคอีกต่อไปพอทำาให้บริบูรณ์แล้วสวยผลอย่างเดียว เข้าใจยังนี่เป็นอย่างนี้โอ้กว่าจะเข้าใจดียากเดินยากเลยนี่กำหนดรอบรู้ทุกเพื่อทำให้แจ้งความโล่งโปร่งใจออถามว่าการไม่เห็นทุกเนี่ย การที่ไม่แทงตลอดอริยสัจมันจิตมันติดตันจิตมันไม่โปร่งมันไม่โล่งหรอกหนึ่งไม่เห็นปัญหาสองไม่เห็นเหตุเกิดของปัญหาสามก็คือไม่เห็นสภาวะที่ดับปัญหาสี่ก็คือไม่สามารถประชุมมรรคภาวนาที่เกิดขึ้นเนี่ยจิตมันจะโปร่งโล่งได้ยังไงใช่ไหมจิตมันก็มีกิเลสพัวพันตลอดเวลากุ้มรุมตลอดเวลาใช่ไหม นี่เป็นไปอย่างนะัเพื่อทําให้แจ้งความโล่งใจอย่างยิ่งเพื่อกําหนดรอบรู้เวทนาสามทั้งสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาเพื่อละอาสวะกามาสวะภาวาสวะทิฏฐสวะวิชาสวะเพื่อดับอวิชานี่แหละเพื่อละอวิชาอาวิชาเนี่ยไม่รู้ในทุก ไม่รู้เหตุให้เกิดทุกข์ที่ว่าไปแล้วเมื่อวานนี้ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ใช่ไหมอวิชารู้ไหมเขาไม่รู้เขาไม่รู้ทุกข์คำว่าไม่รู้ทุกข์ไม่รอบรู้ทุกข์ไม่ฉลาดในทุกข์เนี่ยคืออะไรเคยเป็นไหมอวิชชาเกิดขึ้นเป็นยังไงไม่รู้อริยสัจสีคําว่าไม่รู้ทุกข์นี่คือยังไงที่เรียกว่าไม่รู้ทุกข์ ไม่รู้จับตัวเหมืนไม่ไม่เห็นว่าไม่เห็นว่าที่เราไม่เห็นว่ามีกระแสชีวิตเนี่ยมันเป็นทุกข์ไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงไม่เห็นเห็นว่ามันคงทนเห็นมันอยู่นิ่งเห็นมันเป็นก้อนหรือไม่ก็เห็นว่ามันขาดสูงนั้นคำว่าไม่เห็นทุกข์เนี่ยไม่รู้ทุกข์ก็หมายความว่าทั้งทั้งที่อยู่กับทุกข์เนี่ยทั้งทั้งที่อยู่กับกระแสชีวิตเนี่ยกระแสของความคิดกระแสเนี่ย ก็อยู่งงกับมันนั่นแหละมึนกับมันนั่นแหละชอบใจไม่ชอบใจลหลงไหลมัวเมากับมันไม่รู้กระแสความเป็นไปของมันอย่างแท้จริงเล ย, <สา>ยพอไม่รู้จากตัวทุกข์แล้วก็ปฏิบัติต่อมันไม่ถูกเล ย, <สา>ยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าชีวิตเนี่ยมันมายังไงอะไรเป็นเหตุของชีวิตไม่รูไ้ไม่รู้จุดหมายของชีวิตใช่ไหม ถามว่าชีวิตคืออะไรเนี่ยไม่รู้หรอกไม่รู้ชีวิตชีวิตคืออะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมชีวิตเป็นอย่างไรก็ไม่รู้อหรือชีวิตควรเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ชีวิตควรให้เป็นอย่างไรก็ไม่รู้ใช่ไมไม่รู้ถ้าถามว่าชีวิตคืออะไร ชีวิตคืออะไรชีวิตคือการรวมตัวของสภาวะทรรมที่มันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาขึ้นอยู่กับเหตุที่สร้างมาจากอาวิชชาคือความไม่รู้มันถึงวนเวียนเกิดตายเกิดก็คือกระแสะชีวิตก็คือรูปประทมามนามธรรมก็คือขันท่าใช่ไหมนี่คือชีวิตนี่ตัวชีวิต ชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตเป็นอย่างไรดําเนินไปตามกรรมดําเนินไปตามชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตดําเนินไปตามปฏิจจสมุปบาทชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตกบมันไม่เที่ยงไงมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใช่ไหมมันเป็นทุกข์มันเบียดเบียนบีบคั้นตลอดเวลาใช่ไหมแล้วก็ มันไม่ใช่อัตราตัวตนใดๆมันเป็นทังมันมันเป็นอย่างไรบอกชีวิตเป็นอย่างไรมันก็เป็นมันอยู่อย่างเงี้ยใช่าใจไหมล่ะไอ้ขันห้าคือชีวิตแล้วถามว่าขันห้ามันเป็นอย่างไรอ่ามันก็เกิดดับสิบต่อเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยเข้าใจไหมเป็นไปตามเหตุปัจจัยก็ว่าไปเนี่ยมันเป็นทั้งมันอยู่อย่างเงี้ยถ้าถามว่าชีวิตควรควรให้เป็นอย่างไร ให้หยุดการเกิดเกิดอืควรให้จบ<อ>ควรควรนิพพาน <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ชีวิตนควนรนิพพานนะใช่ไหม <c oughs> และชีวิตควรดำเนินอย่างไร <c oughs> เออนี่ชัดเลยก็คือดำเนินไปตามมัชฌิมาปฏิปทาใช่ไหมล่ะจะเงี้ยชัด ก็นี่ไงเรากำลังเรียนเนี่ยแหละควรดําเนินไปตามมาร์กที่จะคุยกันในเรื่องมาร์กนี่แหละเนี่ยควรควรดําเนินอย่างนี้ควรดําเนินอย่างไรก็ควรดําเนินไปตามมัชฌิมาปฏิบัตถามว่าควรดําเนินไปตามการมัสุขาริกานุโยกไหมควรดําเนินไปตามอัตตากิรามาฐานุโยกไหมไอ้ทางสองแพ่งนี้ควรไปไหมไอ้สุดตรงสองทางเนี่ยไม่ควรควรอะไรมัชฌิมาปฏิบัติพอบอกควรดําเนินไปตามมัชฌิมาปฏิบัติได้จะทํำยังไงใช่ไหมให้มันเป็นมัชฌิมาปฏิบัตเนี่ย ก็เลยมานั่งคุยกันนี่แหละใช่ไหมทำไม่นด้วัตถุประสงค์ของเราก็คือตรงที่ได้บอกนี่แหละว่าปฏิปทาให้เข้าถึงธรรมก็คือเพื่อใจะให้ละนี่แหละละโอฆะละอุปาทานกนําหนดเจาะรู้พบทั้งหลายเหล่านี้รู้สภาวะทุกข์ทั้งหลายรู้ส ก, กายะก็คือรู้ขันห้านี่แหละอันนี้หน้าที่ของเราที่นี้ หลักธรรมเนี่ยในอริยมรรคมีองค์แปดที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบแล้วก็องค์เล่าว่าเห็นอริยาสัจสีสัมมาสังกปะดําริชอบก็คือดําริในกุศลสังกปะสามสัมมาวาจาเจรจาชอบก็คืองดเว้นเจากวาจีทุจริตสี่สัมมารกรรมตะการกระทํากระทําชอบบางทีก็เรียกการงานนี่ ภาษาเดิมเนี่ยการงานก็ได so ้การกระทำนั so so ้นมันเดียวทำกรรมนั่นเองทางกายนั่นเองก็เรียกว่าเว้นจากกายทุจริตสามสมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบดําเนินชีวิตที่เว้นจากกายยัุจริตสามวจีทุจริตสีใช่ไหมสมมาวายามะเพียรชอบก็เพียรในสมมาประธานสี่สมาสติระลึกชอบก็คือระลึกในสติฐานสี่สมาสมาที่ตั้งจิตมั่นชอบก็คือตั้งจิตมั่นในฌานทั้ง4ี่มีปฐมฌานเป็นต้น เออเนี้ยทีนี้สัมมาทิฏฐิเนี่ยอริยามารรคข้อแรกในอริยามารรคเบญจแปดเป็นมรรคที่สําคัญไหมสําคัญมากเพราะเป็นหัวหน้าไงเป็นหัวหน้าแห่งอริยามารรคที่เหลือเป็นหัวหน้าแห่งอมริยามารรคข้ออื่นๆด้วยพระพุทธเจ้าบอกว่าตรัสกับพิสูจทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ ย่อมมีแสงอรุณขึ้นก่อนเป็นปุพพานิมิต ช, ชั้นใดสมาธิฐิก็เป็นตัวนำนะเป็นปุพพนิมิตเพื่อการตัดสุ้ตามความเป็นจริงในอริยสีอริยสัจ ส, ส, สีประการฉันั้นภิกษุผู้มีสมาธิฐิย่อมเป็นอันหวังได้ว่าเธอจะรู้ชัดตามความจริงวันนี้ทุกเธอจะรู้ชัดตามความเป็นจริงวันนี้เหตุให้เกิดทุกเธอจะรู้ชัดตามความเป็นจริงวันนี้ความดับทุกข เธอจะรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ปฏิปทาถึงความดับทุกข์ดังนี้ใช่ไหมสมาธิความเห็นชอบหรือปัญญาที่เห็นชอบในอริยสัจสีเนี่ยความรู้ในทุกนี่เป็นหลักตําราเลยนะความรู้ในทุกขสมมูทยัยความรู้ในทุกขานิโรธความรู้ในทุกขนิโรธที่าคาบิปฏิปทาใช่ไหมทีนี้สมาทิิมีลักษณะก็คือปัญญาใช่ปัญญาไหม ปัญญาด้วยกิริยาที่รู้ชัดความวิจัยความเลือกสรรความวิจัยธรรมะการกำหนดหมายความเข้าไปกำหนดความเข้าไปกำหนดเฉพาะภาวะรู้ภาวะที่ฉลาดภาวะที่รู้ละเอียดความรู้อย่างแจ่มแจ้งความค้นคิดไข่ครวนปัญญาเหมือนแผ่นดินปัญญาเครื่องลากิเลสปัญญาเครื่องนำทางความเห็นแจ้งความรู้ดีปัญญาเหมือนปัักรู้จักปัจจัก ประตักเอาไว้แทงเวลาช้างเอ่ยม้าเอ่ยก็ใช้ประตักนี่เลยแทงปัญญาก็อย่างนี้ปัญญาปัญญีนรีปัญญาภละปัญญาเหมือนสตราวุธปัญญาเหมือนปราศาสตร์ปัญญาภาษาโถขึ้นสู่ที่สูงมองเห็นอะไรได้ชัดความสว่างคือปัญญาแสงสว่างคือปัญญาปัญญาเหมือนประที่ปัญญาเหมือนดวงแก้วความไม่หลงงมงายความเลือกฝนธรรมะสมาธิธรรมาวิจัยสามพทธชงเป็นองค์มรรคหนึ่งในมรรคทั้งหมดเหล่านี้เป็นชื่อของ สมาธิทิฏฐิเราอาจจะได้เจอคําพูดอย่างนี้อีกเยอะทําไมพระพุทธเจ้าพูดหลายชื่อยังเพราะสัตว์นั้นมีหลายอัธยาศัยพูดไปตามอัธยาศัยของสัตว์ข้งเราพูดมาตั้งหลายชื่อไม่เคยเก็ตตัวชื่อเลยใช่ไหมนี่แสดงอัธยาศัยเราขนาดพระพุทธเจ้าใช้ใช้ขนาดนั้นนะมองอเห็นนี้่ยังเพราะต้องการพูดให้นั้นเข้าใจเอ้ย เข้าใจไหมว่าปัญญาเหมือนประทีปปัญญาเหมือนประตักปัญญาประดุดแสงสว่างปัญญาเป็นเครื่องนําทางเอ๊ะพูดก็ไม่แวบสักทีนี่น <c oughs> ความวิจัยความเลือกสารความวิจัยการกําหนดหมายความก็ไปกําหนดกําหนดเฉพาะเนี่ยความฉลาดภาวะที่รู้ละเอียดรู้อย่างแจ่มแจ้งใครควรปัญญาประดุดดังแผ่นดินจำปัญญาที่ชำแรละกิเลสให้ขาดไปเนี่ไม่เขาา้าใจนี่แหละคือสมาธิ นันน้เราจะเจอคําพูดในพระใจดกปุ๊บปุ๊บปุ๊บ๊๊บ๊พูดเยอะมากเลยไอเราอุ๊ยอ่านเบื่อแล้วเคยทำไมเยอะจังว่างั้นที่ไหนได้คือต้องการให้เราเข้าใจสักแวบนึ่งนะ <c oughs> มุมนี้มุมนี้มุมนี้มุมนี้ <c oughs> เข้าใจสักทีที่แสงสว่างเกิดสักทีที่ให้ชัดสักทีที่ <c oughs> ไม่ชัดสักทีเลย <c oughs> <c oughs> ให้เข้าใจชัดสักทีเลยจัดบางประเภทนี้พอพูดทานี้มุกขึ้นน่เลยเนี่ยวบมุกมุขึ้นมาเลย เรานี้ออไม่ไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นจะฟังต่อไปลักษณะของสมาธิมีสิบเอ็ดประการนทัศนะก็แปลว่าเห็นเป็นลักษณะของปัญญาก็คือเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความเป็นไปตามอนัตตาของรูปนามกันห้าเห็นอริยสัจสี่เห็นทุกข์เห็นทุกข์มุ่ไทยทุกขนธโลดทุกข์ขนธโลดเารมินปุริตาเห็นพันิพา เรียกทัศนะปัญญาก็ทํากิจนี่เห็นนั้นเวลาใดถ้าเห็นความจริงพบขึ้นมาดังนั้นสมาธิฏฐิเกิดทัศนะนั่นเองเจ๊ะไหมมันเกิดนะกับเราแต่บางทีเราไม่รู้แต่ตอนนี้เราลุ้นอ๋อเขาทำกิจของเขาอย่างนี้ปัญญาพอฟังฟังไปแล้วเกิดรู้อัฏฐ์รู้ธรรมะรู้เหตุรู้ผ ล, ร, ผลรู้เหตุปัจจัยเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเลยชัดแว้บขึ้นมาเวลาใดนั่นก็เรียกว่าสมาธิฏฐิมันเกิดเจ๊ะไหม แล้วปัญญาอีกความหมายหนึ่งเมื่อกี้ว่าคือการที่เกิดว่าปัญญาเกิดแลบวนั่กลาลว่าปัญญามันเกิดแล้วมันก็ดับอันนี้ที่ปัญญาก็เป็นหนึ่งในขันห้าอยู่แล้วที่ว่าจะให้มันเกิดติดต่อนื่อแปลว่ามันจะแวบเหมือนไฟแวบไปเรื่อยๆแล้วต้องให้อาหารนั้นเวลามันจะเกิดติดต่อก็แปลว่าเราให้เหตุปัจจัยมันจนสามารถมันมีกําลังมากขึ้นมันเกิดแต่ละครั้งมันก็พัฒนาตัวขึ้นมากขึ้นใช่ไหม แล้มันเกิดติดต่อนี่ทีนี้เวลาที่มันแวบแล้วพอพอเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะให้อาหารมันต่อยังไงให้ไอ้แวบที่เราเพิ่งเห็นมันไม่ก็ตอนนั้นตอนนั้นวิจัยอะไรอยู่เขาวิจัยต่อวิจัยต่อเรื่องเดิมเรื่องที่มันเห็นนั่นแหละไม่ใช่มามาชื่นชมมันซะนี่เคลอนอยู่กับแวบไอ้แวบแรกมันเป็นปัญญาแวบหลังเป็นทิฏฐิเราเห็นแล้ว มันเลยไปหยุดตรงนี้ที่ถีว่าต่อยอดมันนี่เลย ม, มันเหมือนถ้าคนคนจุดเทียนแล้วก็เขียนหนังสือพอดับเทียนแต่ว่าผลงานของปัญญาก็ยังอยู่ในหนังสือใช่ครับอันนี้หยวด เ, เอามาจากในมิลินทะปัญหาอตอนนั้นปัญญามันเกิดขึ้นระหว่างเขียนหนังสือแล้วก็เขียนเห็นอะไรชัดอ่าเนี่ยเมื่อคืนหนูแล้ย <c oughs> ดแูแล้วก็อ่านคุกคาอ่านเร็ว น, นะน <c ười> มันมีอย่างละครนหนึอ่อ๋อแต่็จะเหมือนข้อคอดยนะคะแต่เล <c ười> ่นๆ <c ười> นะ อ่านเพื่อให้รู้ว่าอ่านแล้วก็บางครั้งเราก็ถ้าอ่านหนังสือพวกนี้ก็ต้องเข้าใจว่าเราใช้ปัญญาเข้าไปอ่านเข้าปัญญาเข้าไปรู้หรือให้รู้ว่ามันเป็นคนคนหนึ่งที่เขาไปรับองค์การมาจากพระเจ้าแล้วเขาก็ออกตัวนะว่าเขาเนี่ย ไม่มีอำนาจเหมือนพระเจ้าหรอกเขาไปรับองค์การมาเป็นผู้ที่สื่อวัจนสื่อํำสอนแท่นั้นเองคือเขาได้สิทธิพิเศษเอามาสื่อให้พวกเราบางอย่างแล้วก็เขาสัมผัสพระเจ้าได้แต่เราสัมผัสไม่ได้แล้วเขาก็จะพูดว่ามันจะมีคนอยู่สองกลุ่ม คือกลุ่มที่เป็นปฏิปักษ์กับพระเจ้ากลุ่มที่ไม่เชื่อกลุ่มนี้ที่จะต้องไปจมอยู่ในอนรกเนียเป็นนิรันดรเลยนะตกนรกแบบนิรันดรเลยมันน่ากลัวตรงที่ต้องตกนรกนิรันดรนี่แหละและถ้าไปอยู่กับพระเจ้าก็เป็นไปอยู่กับพระเจ้านิรันดรเลยอมันมันมันเกิดนี่มันเป็นแบบนี้ยฉะนั้นคนมนุษย์ที่ตายไปแล้วเนี่ยยังไม่ฟื้นคืนชีพอ่ะนะต้อรอก็รอวันพิพากษา นี่จะฟื้นคืนที่มาก็ถึงฝังในหนูใช่ไหมเขาจะฟื้นคืนที่มาก็ต้องหยิบดวงวิญญาณหนูไปที่ภาคสาไอทีจะโยนลงจะงอะไรข้างหลังกันมันมันขัดกันเองก็อย่าไปโกรธเขาอ่านเขตกับผลมันอาจจะขัดกันเช่นเช่นหนูอาจจะไปคิดว่าอ้าวก็คุณโดนบรรดาลได้ทั้งหมดแล้ว คุณจะต้องมาให้คนอื่นมากล่าวมาสอนทําไมใช่ไหมก็เดินบรรดาลแล้วกระจกก็สิ้นเลยใช่ไหมเพราะคุณเป็นใหญ่แล้วก็เดินบรรดาลนี่จะให้ว่ายังไงจะให้หนูนับถือหรือไม่นับถือก็เดินบรรดาลไปเลยไม่ต้องมายุ่งยากผ่านคนนี้มาบอกอยู่ดีใช่ไหมเดี๋ยวก็ไปแย้งขึ้นมาอย่างนี้ก็จะไปจริงหรืจริงไม่เห็นต้องมายุ่งยากไม่ต้องมาเขียนตำราเสียเวลาอย่างนี้แต่คุณเป็นผู้เดินบรรดาลมาทั้งนั้น แม้ชีวิตของเราก็เป็นผู้โดนมันถ้ามองอย่างนี้มันก็จะกลายเป็นโอ้ไม่ไปกันใหญ่เลยนี่มันก็ห้ามเลยห้ามห้ามสงสัยเพราะฉะนั้นถ้าหากให้คนมีปัญญาก็อ่านหน่อยก็ทีนี้มันจะมีปัญหาว่าในยุคที่วิทยาศาสตร์มันตันเนี่ยยิ่งตอนนี้มันเริ่มตันแล้ววิทยาศาสตร์เนี่ยมันไปไม่ได้แล้วมันมันสุดมันตันเนี่ยมนุษย์ก็จะกลับเข้าไปหาที่พึ่งอย่าเก่า คิดไม่ออกมันจะเป็นมีเป็นนี้แต่ก็ดีแล้วได้ปัญญาใช่ไหมต่อไปก็ไปฟังไปบอกฟังแบบศีลที่เป็นสภาว ะ, าวะนิยมกับเทวนิยมเราต่างกันอย่างไรเราก็จะเห็นความต่างกันเห็นไหมเมื่อคืนที่ฟังแล้วเข้าใจไหมยอมบีเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจยังไง เข้าใจถึง เ, เทวานิยมเนี่ยสอนให้ไม่สงสัยเพราะว่าถ้าสงสัยแล้วจะควบคุมไม่ได้ <c oughs> มันเป็นการที่จะให้ให้ปฏิบัติตามโดยากดายรใส่ใส่เงื่อนไขคือจำเป็นต้องเล่น <c oughs> แต่ในสภาวะนิยมเนี่ย เ, เป็นความ ต้องการให้ฟังแล้วเอาไปทำเองแล้วสามารถที่จะบรรลุได้เองอันนั้นเป็นใครก็ตามที่ถ้าฟังและปฏิบัติตามเข้าใจก็มีความสามารถที่จะบรรลุถึงเป้าหมายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีใครที่ภาคสาไม่มีไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาณาอะไรของใครเป็นไปตามตามกฎตามชาติ ศรัทธาแบบพักดีมันก็ดีสําหรับคนที่อ่อนด้อยทางด้านปัญญาคือยอมรับไปเสฉยๆสิ่งนี้แล้วก็สุขทุกข์กที่เราได้รับทั้งหลายก็โยนให้โยนให้พระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นใหญ่สิที่เราได้รับสุขทุกข์กที่เราเป็นไปทุกวันนี้มีคนคนหนึงคอยกําหนดกฎเกณฑ์เรามีหน้าที่ยังไงก็คือก้อนวอนแล้วก็ทําให้พระองค์พอใจ ทำได้ไหมหนูหนูก็ไม่ต้องไปคิดอะไรงไงมันอึดอัดในใจแล้วก็ก็ต้องทำแบบนั้นก็อ้อนวอนแต่ถึงเวลาหนูก็พ้าคุมศรีรษะก็เข้าไปทําละหมาดวันละห้าครั้งทำได้ปะไม่ได้อันนี้ไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้วผ้าคุมนั่นและ ก็ไม่เห็นเป็นไรแล้วก็ดูผ้ามก็ยังถ้าวันหนึ่งอาจจะเห็นหนูคมเหลือในลูกตาแล้วก็แบบดูใวแล้วก็เอาอะไรร้อยที่มีที่ใส่อะไรติดอยูก็เห็นไหมมันเหมือนเหล็กนใส่ปากด้วยก็เห็นยังพ่อที่ปากปากเหมือนเหมือนนกเลยโอ้โหขนาก็กลัวอะไรจะเข้า ทำกันขนาดเรเป็นเป็นวัฒนธรรมเป็นวัฒนธรเีเป็นสัญลักษณนะ์ตอนเรื่องปัญญาเมื่อกี้พูดถึงในเรื่องของปัญญาว่าความชื่อของปัญญามีหลายอย่างเช่นปัญญาเนี่ยความรู้กิริยาที่รู้ชัด นี่ก็เป็นเชื่องปัญญาความวิจัยการที่ไปวิจัยแยกแยะอันนี้ก็เป็นเชื่องปัญญาฟันันหรือว่าเลือกสรรเลือกสรรสิ่งที่มันจะดีไม่ดีต่างกันยังไงเนี่ยเป็นเชื่องปัญญาการวิจัยการกำหนดหมายการเข้าไปกำหนดไปกาหนดแต่ละอย่างละอย่างละอย่างละอย่างหเห็นความแตกต่างกันยังไงดีหรือไม่ดียังไงเป็นต้นเนี่ยได้ไหม เข้าไปกำหนดเฉพาะภาวะที่เข้าไปรู้ภาวะที่ฉลาดภาวะที่เข้าไปรู้อย่างละเอียดภาวะที่เข้าไปรู้อย่างแจ่มแจ้งความค้นคิดความใคร่ควรเนี่ยปัญญาเหมือนแผ่นดินกว้างดุดแผ่นดินเลยหมายความว่าปัญหามีเท่าไหร่ปัญญาก็สามารถควบคุมปัญหาได้เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาในอดีตปัญหาปัจจุบันปัญหาในอนาคตปัญหาภายในภายนอกละเอียด พลานีตใกล้ๆท่านหลายเลยเนี่ยโอ้โหปัญญาเข้าไปกำหนดรอบรู้คุมได้หมดเลยปัญญาเป็นเครื่องละกิเลสละละความเศร้าหมองห็นใจงได้โอ้โเนี่คือบางทีรู้ปุ๊บบางคนละไม่ได้บอกแต่อันนี้ไม่ใช่มีแค่รู้อย่างเดียวปัญญายังเป็นสกัดกั้นความโลภออกจากใจได้ด้วยกั้นความโกรธ ความหลงความมัวเมาความเศร้าหมองความหดหู่ความท้อถอยเนี่ยพอปัญญาเกิดขึ้นมาปุ๊บขจัดสิ่งเหล่านี้ได้ไมาจิตโปร่งโลง่งเบาเคยเป็นไหนั่นแหละคือปัญญามันทํากินเป็นไปลักษณะอย่างนี้ปัญญาเป็นเครื่องนําทางก็หมายความว่าพอเกิดปัญญาปุ๊บมัเห็นทางออกมั้ยนั่นแหละก็เลยปัญญาเคลือบนำทางปัญญาที่เห็นแจ้งปัญญาที่รู้ดีปัญญาเหมือนประตักเลยแทงเลกตรงตองปัญหาเป๊ะเหมือนประตักเนี่ยเวลาเขาจะ ไอ้ช้างมันตกมันเนี่ยใช้ประตักสับปึ๊กอยู่เลยอะ่ะอันนี้เหมือนกันเวลาเกิดความโกรธปุ๊บปัญญาเกิดขึ้นมาใช้เหมือนประตักจัดการปุ๊บละได้ทันทีโอ้โหความโกรธหายไปเลยเคยเป็นไหน <c oughs> เนี่ยคนคนปลึกได้ขนาดนั้นนะมนุษย์เนี่ยปัญญาเป็นประดุดดังประตักเลยล่นจใช่จัดการได้จิตแง่งอนเนี่ยจัดการได้เลย จิตหดหูท้อถอยป๊ให้หลุดออกไปเลยอ่ะเฮ้ยกระโดงกลับขึ้นมาเลยโอ้กลับมาแข็งแรงอย่างเก่าเลยใช่ไหมจิตน้อยเหงาเศร้าซึมเจ็บหดหูจิตเกียจท้านเนี่ยปัญญามาจัด ก, การได้หมดเลยปัญญามันจะบอกว่าปุ๊บเกียจท้านอยู่อย่างนี้ไม่พบจะไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตมันมันเตือนขนาดนั้นเลยนะฟุ้กฟุ้กขึ้นมาใช่ไหมรู้สึกจะมานั่งหดหูท้อถอยอยู่ทาาําไมใช่ไหม นนคนที่ปัญญาประดุจ ด, ดังประสาวว่าคนเนี่ยโผยละห้อยอดีตซึ่งเศ้านึ้อดีตเคยเป็นไหมเหมือนเจ้านัดนี่แล้วก็เพ้อหาอนาคตอยากจะเป็นยังไงโอ้เพ้อ เมื่ อ, อไรเนาะเราจะประสบความสําเร็จเมื่ อ, อไรเนาะเราจะรวยเมื่ อ, อไรเนาะคนคู่ครองเราจะเป็นคนดีเมื่ อ, อไหรเนาะเขาถึงจะเข้าใจเราอะไรก็แล้วจต่เหเพ้อหาอนาคตอดีตทําไมเขาทําเราอย่างนั้นทําไมเขาพูดอย่างนั้นอะไรเงี้ยเนี่็นไหมหัวละห้อยในอดีตเพ้อหาในอนาคตแล้วก็งอนแง่นคลอนแพนในปัจจุบันในปัจจุบันเนี่ย หลุดหมดเลยไม่ไม่แข็งแรงไม่มั่นคงในปัจจุบันเลยแต่พอปัญญาประดุดดังประตากมาปุ๊บเนี่ยสติสัมปชัญญะมาปุ๊บคิดอดีตปุ๊บดึงข้อมูลในอดีตมาเลยใช้สติ ด, ดึงข้อมูลฟื้กลับมาให้ปัญญาวิจัยอ๋อจุดเสียอ๋อนี่จุดดีอ๋อทางดําเนินควรเป็นอย่างนี้อนาคตดึงอนาคตว่าอะไรจะเกิดขึ้นอ๋ออยู่ที่การสร้างเหตุในอดีตสร้างเหตุอะไรไว้ และปัจจุบันกลับมากําหนดหมายในปัจจุบันเราจะดําเนินไปตามเหตุผลตรงนี้แล้วเห็นจุดหมายในอนาคตถ้าทําอย่างนี้จุดหมายไม่ดีจะเกิดขึ้นทำอย่างนี้จุดหมายดีจะเกิดขึ้นทําอย่างนี้ดีระดับนี้ระดับสองระดับสามไงโอ้โหมองเห็นหมดเลยนี่เขาเรียกว่าไม่ง่อนเง่นไม่คลอนแคลนในปัจจุบันนี่ปัญญาเกิดเรียงนี่ก็เรียก น, นี่ตัวสมาธินี่ปัญญารู้ชัดอย่างนี้แหละปัญญาบางอย่างเนี่ยปัญญาเป็นเหมือนสตรานี้ มันสตราวุธเนี่ยฟุบทันทีเลยเช่นเวลาเวลาไปอะไรเอาออนอะไรเราถอนใจจากสิ่งที่มันไม่ดีทั้งๆที่มันไม่ดีใช่ไหมแต่ถ้าปัญญาเหมือนสัตรามันเหมือนอาวุธมันฟุบทันทีขาดเลยมันเหมือนอะไเหมือนเชือกมัดเรืออยู่เนี่ยมันไปไม่ได้ที่ตัดไม่ได้ ถ้าปัญญาเหมือนสตร์ตามปุ๊บฟุ๊บแล่นไปสู่แนวทางที่ถูกต้องนี้ไม่วนแล้วทังนั้นก็วนอยู่นั่นแหละวนอยู่นั่นแหละวนอยู่เชือกวนซ้ายวนขวาไปไม่ได้สิอ๋อตรงนี้นี่เองชีวิตเราก็มาติด ต, ตันอยู่ตรงนี้นี่เองดึงดาบออกมาฟันฟุ๊บขาที่อยากฟุ๊บเรียบร้ยไม่อะไรอวร เ, เพราะเห็นว่ามันไม่ดีมันไม่ดีจริงอะ่ะเป็นอะไรอวอนอะไรกับมัน นี่ปัญญามันสัตระปัญญาเหมือนประสาทาสัพพะเลยปัญญาประสาโทโถขึ้นสู่ปัญญาประสาทเฮ้ยมองอะไรก็ไม่ชัดคือมองอะไรก็ไม่ชัดเลยเฮ้ยขึ้นที่สูงดีกว่าพัฒนาขึ้นสู่ปัญญาขึ้นที่สุดมองมาชัดไมท่าเนี่ยโอ้โหชัดเลยเห็นหมดเลยเนี่ยคนเข้าคนออกเห็นหมดแหละไอ้คนทําอะไรกันมันมันอยู่ที่สูงมองไงเยอะไหมเหมือนเรามองภาพเฮ้ยมองภาพ พอยิงโดนขึ้นไปปุ๊บส่องดอูเห็นเห็นชัดหมดเลยใช่ไหมนี่ปัญญาเป็นอย่างนั้นมองเห็นออกเห็นรู้ด้วยว่าโอ้คนนั้นเดินเข้าเดินออกจะใไงทํากิจเนี่ยปัญญามันประสาทนี่ความสว่างคือปัญญาแสงสว่างคือปัญญาปัญญาเหมือนประทีปเลยปัญญาเหมือนดวงแก้วเลยเกิดขึ้นมาโอ้สว่างงมงา ย, ยไหมแต่เนี้ยความไม่งมงายพอความไม่งมงายเกิดขึ้นมาปุ๊บมันเลือกเป็น เลือกเพชเอาสิ่งที่ดีที่สุดมันเห็นสว่างหมดใช่ไหฟึ๊บมันเห็นหมดแล้วว่อะไรดีอันนี้มันเพชรอันนี้มันทองอันนี้เป็นทับทิมอันนี้อะไรก็แล้วแต่มันมองเสร็จอะไรดีที่สุดเอาสิ่งที่ดีที่สุดโอ้หนี่ปัญญาขนาดนั้นนี่เป็นอย่างนี้นี่สมาธิถี่เป็นอย่างนี้แหละก็เรียกทัศนะก็แปลว่าความเห็นในที่นี้ ใช่ถึงว่าถ้าทัศนะถ้าเป็นความเห็นธรรมดามันเป็นความเห็นที่ยังไม่ถูกชําระให้สะอาดบริสุทธิ์แต่ถ้าเป็นทัศนะที่เป็นปัญญาที่เป็นชัดเจนแล้วมันจะเข้าไปเห็นความจริงมันเห็นความจริงถึงขนาดว่าเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเปลี่ยนแปลงของกระแสชีวิตมันย้อนได้เลยนะเด็กๆมันย้อนย้อนไปเมื่อวานนี้ก็ได้อาทิตย์ที่แล้วก็ได้ ย้อนไปเดือนที่แล้วปีที่แล้วสองปีที่แล้วสาปีที่แล้วมันเห็นสติมันแข็งแรงสมาธิก็ตั้งมั่นปัญญาก็ฟันวิจัยเห็นทุกขั้นตอนเลย๊แล้วก็ย้อนกลับไปกลับมาเห็นปัจจุบันนี้เห็นเหตุนในปัจจุบันนี้พออ๋อผลที่เกิดขึ้นมันมาจากเหตุอะไรสาวสาวสาวอเห็นหมดเหตุในปัจจุบันนี้มันจะมันจะดำเนินไปหเห็นอนาคตหมดเลยเห็นสามกาเลยในเจ้านี้ปัญญามันชัดจัด มองอะไรไม่ไม่ไม่ไม่คุมเคยต่อไปเห็นเห็นแค่พฤติกรรมอย่างนี้ก็รู้อนาคตจะเป็นยังไงเห็นแค่ความคิดเห็นแค่นี้ก็รู้ทันทีว่าจะเป็นยังไงผมรู้ขนาดนั้นนี่นี่เครือข่ายทัศนะคือความเหมันจะเห็นความเป็นจริงของความไม่เที่ยงเป็นทุกความเป็นไปตามเหตุปัจจัยเห็นอริยสัจต่างเขาก็ทุกต้องรู้ทันสมุทัยต้องละทิ้ง มิโรต้องรู้ถึงมาร์กต้องลงมือทําโอเดตไม่เห็นชัดเลยมันทําข้อเดียวข้อมาร์อย่างเงี้ยนะแล้วก็ประหานะประหารนะเวลามันปัญญาเกิดขึ้นเี่ยมันจะทํากิจเลยประหารนะประหาน ะ, ะานะมาจากคาว่าอทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหารตับพังประหารก็คือละทําลายกําจัด ละความเห็นผิดต่างๆความเห็นผิดที่ไปเห็นว่าทางดําเนินข้อปฏิบัติที่จะออกจากปัญหามันไม่มีมันไม่มีทางไปอะแต่ก่อนมันเห็นผิดนะบางคนเนี่ยไปเจอปัญหาปุ๊บเนี่ยฉันไม่มีทางไปแล้วจริงไหมฉันออกจากมันไม่ได้มันหมดทุนทางจริงๆก็ เ, เห็นไหมคนแบบนี้ว น, นลูปอย่างเงี้ยอันนี้เห็นผิด ที่จริงทางมันมีเพราะเราไม่ทําปัญญาให้เกิดขึ้นทางมันมีอยู่ใช่ไหมทางมันมีอยู่มันเหมือนว่าไฟมันไหม้ล้อมแต่ ม, มีทางหนีอยู่ทางมีอยู่แต่เอัเจ้าวนี้ไม่หนีมันเป็นความผิดของใครเนี่ยความผิดของทางว่าความผิดของของใครความผิดของคนนั้นเนี่ยใช่ไหมนี่เหมือนกันทางมันมีอยู่การไม่ดําเนินไปตามทางไม่ใช่ความผิดของทาง เออ่เราตกลงไปในหลุมคูดที่ไม่สะอาดหลุมอุจจ า, าระปัสสาวะไอสระมันมีการที่เราไม่รีบเดินเข้าไปล้างตัวให้สะอาดในสระมันไม่ใช่ความผิดของสระนะใช่มหมดัะนั้นการที่จะไปเห็นตรงนี้ได้นี่เขาเรียกว่าเห็นอะไรเห็นมาและเห็นเห็นเส้นทางแล้วก็เห็นผลที่จะเกิดขึ้น เห็นความสว่างเห็นความปลดล็อมเบายนี้เป็นต้นนี่ก็เรียกผะหานนั้นความเห็นผิดทั้งหลายมันมันละได้ความโลภมันก็ละได้ความโกรธมันก็ละได้ความหลงมันก็ละได้ความโกรธอูมันก็ละได้แต่มันไม่ใช่ละอย่างที่เราเข้าใจกันฉันจะละมันฉันจะละมันไม่ใช่มันละได้โดยการเหมือนไม่ละก็คือพอทาปัญญาเกิดขึ้นพะไปรู้ก็แปลว่าอะไรมันละอย่างมันละแล้ว เหมือนที่เคยอุป ม, มาหลายครั้งเลยนะเหมือนหนูมีเพชรประจําตระกูลหูเพชรเมื่ปูป่ตายาย่ายายมานี่เป็นเพชรประจําตระกูลานะรักษากันมาหลายชั่วคนเลยอูชื่นชมยินดีแล้วหวงมากแลมีอยู่วันนึงพอปู่ตายาย่ายายเขาล้มหายายจาก ม, มาถึงหนูหนูบอกเออเขาว่าเป็นเพชรแต่หนูม่มีความรู้เลยหนูเอาเอาความเชื่อไปฝากไว้คนอื่น ไปถึงเล้วช่วยดูยนะคนอื่นก็ดูว่าใช่แท้ไม่แท้ถ้าบอกเราไม่เอาดีกว่าศึกษาเองเลยหนูไปเรียนรู้เพชรปอมเป็นยังไงเพชรแท้เป็นยังไงดูจนละเอียดจนชํานาญแล้วต่อมาเข้าห้องมาดูเพชรประจําตระกูลนั่นเองเข้าไปก็ดูพอไปดูวิจัยอย่างละเอียดแล้วจึงรู้ว่าเพชรนั่นมันเป็นของปอมพอรู้ว่าเป็นของปอมปุ๊บในความที่จะยึดถือของแหนมันหายไปเลยไหม มันหายเพาอะไรเออนั่นแหละนั่นแหละก็ปัญญาเวลาละมันเป็นแบบนี้เวลาปัญญามันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันเห็นความจริงปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะเป็นโลกไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปโกรธไม่เห็นมีเหตุผลอะไรที่จะไปมัวมาลุ่มหลงอีกแล้วเพราะมันเห็นความจริงมันรู้ความจริงลักษณะนี้เรียกปานเรียกละชัดไหม แต่ก่อนมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันนึกว่าโอ๊ยฉันจะต้องจัดการมันจะต้องอะไรเงี้ยที่จริงไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะมีหน้าที่อย่างเดียวพัฒนาข้อมูลความรู้ให้เห็นตามความเป็นจริงพอเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยให้กลับไปร้องไห้อีกร้องไหมไม่ร้องแล้วสมมติถ้าเขาจะทิ้งเราร้องไหมไม่รู้ค่ะเจ้าวาดแต่ว่าคิดว่าน้าจะไม่ร้องแล้วขอขอร้องขอร้องนิดนึงเป็นการไว้อะไร ใจนะค่ะเนไปได้นะเดี๋ยวขอทาพิธีร้องเน่อยบอกว่าเดี๋ยวแม่เอยพี่ทิมมาใครมาเดี๋ยวขอหนูขอทาพิธีร้องหน่ะสีเป็นไปได้แต่ถ้าคิดได้ปาดเลยไม่ไม่ไม่ได้แต่ร้องดังก็ไม่ได้อีกเพราะปัญญามันเกิดฉันว่าปัญญาเกิดไม่รู้จะร้องยังไงมึงนึกใใจเอ๊ะทาไมเราไม่ร้องวะอีร้องสิอีร้องเป็นสุดๆไปเลยอ่ะร้องไม่ร้องไม่ออกร้องไม่ออกเลย นั่นเขาทิ้งเราไปแล้วนี่มัไม่ร้อง อ, ะอ่ะทิ้งทิ้งโอ้เป็นบุญแล้วเกินมันเป็นบุญแล้วเกินแหมตายถ้าถ้าอยู่กับคนนี้จะร้องจริงจริงเล้วทิ้งเนี่ยมันจะร้องน้อยหน่อยเลยก่อทิ้ง ด, ด, ดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นประหานะอุปถัมภ์เออปัญญายังมีหน้าที่อุปถัมภ์ด้วยนะ<ช>ถ้าอุปถัมภ์ก็คือคำชูคืออุปการะต่อ ต่อสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกันแกเขาเพราะปัญญาเกิดเดี่ยวเดียวไม่ได้เขาจึงต้องมีหน้าที่อุปธรรมอุปธรรมความดําริที่ถูกต้องที่เกิดพร้อมกันกับตนด้วยยังอุปธรรมคําพูดที่ถูกต้องอุปธรรมการกระทําที่ถูกต้องอุปธรรมอาชีพที่ถูกต้องอุปธรรมความเพียรที่ถูกต้องอุปธรรมสติคือการระลึกที่ถูกต้องอุปธรรมสมาธิที่ถูกต้องให้ให้ที่เกิดพร้อมกันกับเขาเห็นไหมไม่ใช่ปัญญาอย่างเดียว จะต้องอาศัยอุปถัมภ์ตัวอื่นเลยเขามีหน้าที่อุปถัมภ์เนี่ยนะปัญญาอุปถัมภ์ยังไงให้ข้อมูลครับมันคอยคิดผิดอยู่เรื่อยปัญญาก็ไปให้ข้อมูลเขาก็เลยคิดถูกพราเออพอมันคิดถูกขึ้นมาพวกปัญญาไปอุปถัมภ์ต่อนะถ้างั้นมันพูดไม่ถูกเอ๊ะจะพูดยังไงเนี่ยปัญญาก็ไปอุปถัมภ์ให้ altre. พ so ูดให้ถูกแล้วมันทําให้ถูกปัญญาก็ไปอุปถัมภ์ให้ข้อมูลที่จะทําให้ถูกเฮ้ยมันดําเนินชีวิตผิดพลาดปัญญาก็ไปอุปถัมภ เนี่มันเพียนไม่ถูกเนี่ยไม่รู้จะเพียนยังไงไม่รู้จะจัดการยังไงปัญญาเขาไปอุปถัมภ์ให้เพียนให้ดําเนินถูกต้องระลึกการระลึกเนี่ยสตินนะฮะการระลึกการดึงข้อมูลเนี่ยมันมั่วนะถ้ามีปัญญาถ้ามีปัญญาเพราะปัญญฟันว่าควรจะดึงข้อมูลอะไรมาระลึกก่อนมันทีมีทั้งหลายเรื่องปัญญาก็เลยไปช่วยอุปถัมภ์ดึงเรื่องนี้มาก่อนซิเรื่องนี้สาําคัญนั่นมันมั่วนะถ้ามีปัญญาฟันเนี่ยมันม่วงจริงนะใช่ไหม เช่นวันนี้เราจะนั่งระลึกเรื่องอะไรก่อนเนี่ยโอ้โหหลายเรื่องเลยเรื่องอะไรมันจะเกื้อกูลต่อชีวิตจิตใจมีประโยชน์มากที่สุดปัญญาไปสอบสวนตรวจสอบปุ๊บก็บอกสติว่าคุณดึงข้อมูลเลยดึงมาเออดึงมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ยวิจัยช่วยการตั้งมั่นก็เหมือนกันโอ้มีตั้งมั่นหลายอย่างใช่ไหมเฮ้จะระลึกพุทธคุณให้ตั้งมัน่นลุกระลึกธรรมคุณให้เกิดความตั้งมัน่น ลึกถึงคุณของพระสงฆ์เพืให้เกิดความตั้งมัน่นลึกการให้ทานเพ่อจะเกิดความตั้งมั่นหรือลึกในอาณาปนะให้เกิดความตั้งมั่นคือเวลาเนี้ยมันไม่ควรไปเอาอาณาปณะมันกําลังเดินอยู่อย่างเงี้ลยลดูลม <c oughs> <c oughs> เห็นไหมปัญญาอุปธรรมไหมอุปธรรมใครอุปธรรมสติอุปธรรมสมาธิบอกให้ ö, ตั้งมั่นเรื่องนี้มันถึงจะง่ายถึงจะสะดวก <c oughs> กําลังเดินไปเดินมาไปดูลมอยู่ไย่างเดี๋ยวหกล้มเลยใช่ไหม เดินไปกำหนดลมไปด้วยลำบากไหมแต่ละลึกพุทธคุณโอ้สบายเลยหรือละลึกละลึกทานละลึกการให้ทานละลึกการละละลกศีลของตนเองก็สะดวกเพราะเป็นอารมณ์ที่มันกว้างขวางเห็นไหมนี่อุปถัมภ์งั้นปัญญาจึงมีหน้าที่อุปถัมภ์สภาวะธรรมที่เกิดร่วมกันกับตนเพื่อกำหนดทิศทางให้ถูกให้ชัดแล้วก็ถ้าอย่างนั้นมั่วหลายคนเนี่ย หลายคนพอปัญญาไม่เกิดแล้วมันมั่วใช่ไหบางทีจะทําอะไรก็เอ๊ะวันนี้จะทําอะไรก่อนล่ะเคยเป็นไหมเ<ช> น, <ะ S 2> นี่เนนะี่ยเวลาปัญญามันไม่มาแต่ปัญญามาปุ๊บโอ้โหเอาเรื่อง น, นี้ตอนนี้ก็เป็นแล้วค่ะเป็นบ้างคิดวํางานแบบไหนดีเยอะนะถ้าถ้าปัญญามาปุ๊บเนี่ยปัญญาก็จะเป็นเอาความสําคัญไม่ใช่เปิดมาทั้งหมดแล้วก็วิง่ง ป็นหนูติดจันทร์จะไม่ทำหนึ่งปิดปุ๊บปุ๊บป๊ป๊ปแล้วก็ดูก่า อ, อะไรสําคัญที่สุดพิจารณาเหตุพิจารณาผลไม่รีบร้อนพราะไม่วี่ร้อนก็ดึงเข้ามาโอ้เร่อนี้ดูที่เองยังไม่ได้อ่ะดึงมาอ๋เอเร่องอ้าวเรื่อนี้สําคัญที่สุดจับเรื่องนี้ก่อนแล้วอันดับที่สองต่อไปคืออะไรโอปัญญาเป็นทําหน้าที่แล้วมันมีหน้าที่หลายอย่างนะเพราะปัญญามันรู้ที่จะพูดด้วยนะ ใช่ไหมพอปัญญาไปกำหนดหมายแล้วเ่กําหนดหมายแล้วจะพูดมันก็สื่อสารเป็นถ้าปัญญาไม่กําหนดหมายมันสื่อสารไม่เป็นนะเรื่องง่ายๆคุยเป็นเรื่องยากเลยเป็นไหมโอ้โหเรื่องง่ายๆแท้ๆน่าจะคุยเป็นเรื่องเรื่องง่ายนะไอเรื่องง่ายๆคุยเป็นเรื่องยากไอเรื่องยากนิดหน่อยทําให้มันยากยิ่งขึ้นโอ้ไม่น่าพูดเลยคำคำนี้พูดไปโหตายเลยอะพูดไปแล้วมใครเป็นไหม นี่ปัญญาไม่กําหนดหมายขึ้นมาคือปัญญาไม่อุปธรรมอะไรไม่อุปธรรมสมาวาจา <c oughs> การงานบางอย่างเนี่ยมันน่าจะทำลูล่ลวงให้ดีพะปัญญาไม่เป็นอุปถรรมเนี่โอ้โหไม่น่าทําเลยไม่น่าทํานี่ปัญญาอุปธรรมปริยา <c oughs> ปริยาทานนะ <c oughs> ครอบงาำเวลาปัญญามันเกิดขึ้นเนี มันจะมันจะครอบงามันครอบงมกิเลสครอบงมทุจริตทำให้กิเลสเหล่านั้นเนี่ยไม่มีโอกาสเข้ามาเกิดปิดกั้นเขแาไปว่าคอบเนาะครอบมหมดโอกาสเลยถ้ายิ่งบรรลุมากผลนี้นกิเลสร้องไห้มาหาไม่พบครอบงามปุ๊บทำมาให้ตาบอดได้เลยนะขนาดนั้นเนีง ตอนนั้นมีพระรูปหนึ่งที่ท่านนิพพานไงท่านท่านฆ่าตัวตายท่านโคที่กลับท่านเชิดคอตัวเองฟุกอ้าตายแล้วนึกว่าท่านหมดกิเลสแล้วท่านไม่หมดท่านเลยกำหนดเวทนาได้บรรลุพอบรรลุไปเสร็จปุ๊บท่านทําลายกิเลสหมดสิ้นปุ๊บท่านก็ตายมานจ้องอยู่พอตายปุ๊บวิ่งฝุ่นฟุ้งหมดเลยวิ่งไปทุกภพ พระเจ้ากช็ชี้ดูดูฟงฟงหมดเลยทางทำไมามานวิ่งหาหาปฏิสนทิว่าไอ้เนี้ยพระรกนี้ไปเกิดที่ไหนหาไม่พบงงเลยอะเนี่ยทำมาให้ตาบอด <c oughs> พวกนี้มันพานแล้วหาไม่เจอแล้วเ <c oughs> พราะไ่เกิดใหม่พวกมารก็หัวรอดเลยนะอย่างว่างลานีพมานหัวละ โอ้หบวชมาทั้งนานนึกว่าไปไหนอยู่ตรงนี้นี่เองหัวลอกา้ากเลยโอ้กระจอกอีกด้วยอะไรเนี้ยนะไปเกิดกระจอกมาดูเดินทาท่าเต็มที่เลยนะไปไปมามาเยืนบางทีเป็นเปรตเ ป, เปาา้าสมบัติอยู่เนี่ยมาันค้ำเลยโอ้ได้แค่นี้เองศึกษาฟังธรรมมาซะเต็มที่ศึกษาซะเต็มที่แล้วทำไมท่าถึงมีความได้ขณะที่ทำโอ้ท่านเดินมาท่านฝึกเรื่องนี้มาทั้งนานจนท่านเข้าใจผิดทีเดวท่านนึกว่าท่านบรรลุ แต่ท่านเบื่อ <be> ur, หมดจดแล้วเหลือติกนิบเดียวอย่างเงี้ยมันมันไม่ไม่ท่านข่มกิเลสได้หมดด้วยกําลังของสมาธิมันก็หากิเลสไม่เจอก็นึกว่ากิเลสมันหลุดแต่ท่านหงุดหงิดกับตัวเองท่านไม่รู้ตัวไงท่านให้มันตายตายไปเถอะพอตายเสร็จแล้วท่านจบแล้วกลัวทําไมความต า, มามอยอหมดกิเลสท่านั้นก็เชื่อตัวเองตัวเองเสิ้นเรื่องต่อไปไรเงี้ย แ, แล้วท่านเห็นกิเลสอะไรจะตอนที่เห็นห น, นิมิตไงไพราะคนจะตายพวกมีนิมิตมา ถ้าคนมีนิมิตแปลว่าต้องเกิดเฮ้ยตกใจทันทีนิมิตมาเลยนิมิตคือพบภพที่จะไปอ่ะมันเห็นทันทีโอ้ยตกใจแล้วอุ้ยไม่ได้เรื่องแล้วท่านรีบกําหนดสติสัมปชัญญะกําหนดรอบรู้กําลังศีลของตอนเองกําลังสมาธิกำลงวิปัสสนาญาณไปเห็นเวทนากําหนดเป็นเวทนา น, ปนาุปนัสสนาติปทานกําหนดถอนกิเลสได้ในขณะนั้นทันนิมิตก็หายวับไปพราอไม่มีนิมิตแปลว่าท่านไม่มีปฏิสติสตอ ท่าท่านป่วยได้คือเข้าฌานแล้วได้เราก็ต้องออกจากฌาน เ, <S <S 1> <S 1> เข้าฌานนี่แป๊บหนึ่งก็ต้องออกจากฌานมันท่านเบื่อ น, นั้นใช่ไหมครับท่านเป็นโรคใช่ไหมครับวิโสธนะก็คือทำให้บริสุทธิ์หมดจดยั้งกิจให้บริสุทธิ์ด้วยปฏิเวทอธิฐานนะก็ตั้งมั่นตั้งใจมั่นคือเวลาปัญญาเกิดขึ้นมามันมีความมั่นคงด้วยเนียเมื่อเกิดร่วมกันสมาธิเพราะว่า คามามั่นในที่นี้หมายความปัญญาเนี่ยเวลาไปเห็นไตรลักษณ์เนี่ยเขาสามารถตั้งมั่นเห็นได้ น, น, นานเพราะเขาเกิดร่วมกับชาติธรรมคือสมาธิน่เพราะจึงวิจัยเห็นอ น, นิจจังทุกขังหน้าตาอย่างต่อเนื่องได้ยาวเลยอย่างเราที่มันไม่มีมันสภาวธรรมมันไม่ร่วมแวบเดี๋ยวเรื่องอื่นมาเรื่องนั้นมาเรื่องนี้นมาจะมาอันนี้เห็นติดต่อต่อเนื่องก็ได้ขนาดนั้นตั้งมัน่น วิเศสาติกามะก็คือบรรลุคุณวิเศษก็คือบรรลุโสดาปิมารเป็นต้นปฏิเวทาก็คือแทงตลอดทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะบางคนไม่แทงตลอดอ่านคำสอนแล้วมาปฏิบัติไม่ได้ก็เป็นเป็นครับเนี่ยไม่แทงตลอดปริยัติแล้วก็ไม่แทงตลอดปฏิบัติก็คือการจะปฏิบัติอย่างไรก็ปฏิบัติไม่ได้ไม่สามารถลงมือทําลงมือปฏิบัติได้ไม่แทงตลอด บางคนแทงตลอดทั้งสามอย่างทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะคือมรรคผลนิพพานท่านได้แทงตลอดหมดเห็นปริยัติท่านเข้าใจทันทีว่าทํำยังไงแล้วเข้าใจปฏิบัติทุกขั้นตอนแล้วก็แทงตลอดมรรคผลนิพพานนี่แทงตลออภิสมมาญาก็คือตรัสรู้อริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมาปฏิฐาปณาก็คือย้ำจิตให้ตั้งอยู่ในนิโรธคือเข้าถึงนิพพานมี่เป็นอย่างนี้นีสมาธิติพอจะชัดเจนไหม ต่อไปสมาสังคัปะดําริชอบความดําริอยู่ในสีในสมาธิในปัญญาสามารถยังกุศลจิตเนี่ยให้เกิดขึ้นก็ให้ตั้งมั่นในสติปัฏฐานเป็นต้นสมาสังคัปะก็คือดําริในการออกจากกามเขาเรียกเน่คัมมะดําริในการไม่พยาบาทดําริในเมตตาดําริในการไม่เบียดเบียนก็อยู่ในกรุณาเนี่ยความตรึกความ ตรรกในการต่างๆความทําดีความที่จิตแนบแน่นในอารมณ์ความที่จิตแนบแน่นแนบสนิทยกจิตขึ้นสู่อารมณ์สัมมาสังกะอันเป็นองค์มรรคนับเนื่องเนมมากก็คือ ส, มสาาัมมาสังคัปปะนี่เพื่อการเนคขมมะตัวนี้การออกจากกามท่านอุปมาว่าเหมือนเหมือนนกที่อยู่ในกรง มันจะเดินตลอดวันตลอดคืนที่จะออกจากกรงไม่มีวันไหนเลยที่จะไม่ดำบลิไม่เวลาไหนเลยที่จะไม่ดำบลิออกจากกรามออกจากภพออกจากขันออกจากกิเลสถ้าอย่างนั้นเนี่ยชัดมันกินอาหารแป๊บเดียวแล้วมันก็เดินตักตักตักตักตักตักตักตักตักเห็นไหมวนกลองอยู่นั่นแหละถึงขนาดนั้นเนี่ยเดิน เดินวนวนวนนวจะออกให้ได้จะออกให้ได้เขียนพยายามยกจิตตลอดยกจิตสู่เนคขมะน้อมออกจากกามตลอดน้อมออกจากกามไม่ติดกับกามน้อมออกจากพยาบาทตลอดไม่ติดอยู่ในพยาบาทน้อมออกจากวิหิงสาตลอดไม่ติดอยู่ในการคิดเบียดเบียนเด็ดขาดโอ้โหน้อมออกตลอดเลยจะนิพพานได้น้อมจิตออกจากจากความโกรธ เข้าสู่เมตตาเพื่อจะเดินเมตตาให้จิตเป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิเอาฐานของสมาธิเป็นฐานในการเดินปัญญาเพื่อจะเข้าสู่พานิพานธได้ออกจากการคิดเบียดเบียนไปคิดประทุจะร้ายเขาคิดเบียดเบียนทขาน้อมออกเข้าสู่มรรคกุณาเขากรุณาที่สัตว์ทั้งหลายจมอยู่ในวัฏจัทุกข์ยังกรุณาจิตให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นฐานของสมาธิจะเดินต่อเพื่อกรุณาตนเองด้วยจะทําให้ตนเองออกจากกิเลสและกองทุกข์ให้ได้ มันขนาดนั้นเลยในในในธรรมะไอตัวดัมเบลชอบนี่มันดําเิลอย่างนั้นไหมล่ะเออถ้าอย่างนี้ชัดดัมเบลเนี่ยชัดนั้นความตรึกความตรึกโดยอาการต่างๆความดําเิลก็ดําเิลในการที่จะให้จิตแนบแน่นแนบสนิทแนลลมย ก, กจิตขึ้นสู่สัมมาสังกัปปะจะให้เป็นองค์มรรคจะน้อมออกจากกรามน้อมออกจากพยาบาทน้อมออกจากการเบียดเบียน มันตรึกตลอดไข้ควนตลอดวิจัยตลอดที่จะออกเห็นอะไรก็ตรึกออกตึกออกเห็นอะไรมันจะตึกออกคิดออกจนความเบื่อหน่ายครายกำหนัดได้ขนาดนั้นเลยเนี่ยไม่น่ายินดีไม่น่าเพลิดเพลินไม่น่ายินดีไม่น่าเพลิดเพลินมันจะขนาดนั้นเลยถ้าอย่างนี้ชัดเลยมันยกจิตขนาดนั้นตรงนี้ไม่ค่อยหลับค่อยนอนเนี่ยวิโตกเยอะวิโต๊ะทำงานมากๆใช่นอนไม่ค่อยหันอนไม่หลับมันบางทีก็ต้องแบททำเวลาให้ถึง คืต้องหยุดเป็นต้องหยุดเป็นแล้วก็พักเป็นนั่นเองอยงนั้นเดี๋ยวลาเพราะมันเพราะปัญญาต้องมากําหนดหมายมใช่ไห ม, ม, ไมปัญญาต้องมากําหนดหมายว่าจะควรจะใช้วิตกเท่าไหร่แล้วก็วางมันเหมือนว่านักรบเนี่ยต้องพักเอาแรงใช่ไหม ขวาก่อนม่รอกมันไม่ได้คิดแต่ระนอนพวกก็หลับเลยเป็นมีมีมีมันจะเกิดขึ้นบางวันนะครับนอนได้แล้ว <c oughs> ถึงเวลา <c oughs> ตรงนี้ก็คือลักษณะของส ม, มาสังกปะก็คืออภินิโรประนะก็ย ก, กจิตส่อารมณ์ปัจจุบันเป็นต้นด้วยนะรูปนามไตรลักษณ์แล้วก็ก็จะน้อมก็หามากคนยิ่านย ก, กจิตขึ้นสู่ อารมณ์ที่กําลังเป็นไปอยู่แล้วก็วิจัยให้เห็นความที่เที่ยงยกยกความรู้สึกละมิจฉาสังกปะละกามสังกปะเข้าสู่เนคขมะสังกปะละพยาบาทสังปะเข้าสู่เมตตาละวิหิงสาสังปะเข้าสู่ครุณาเข้าสู่กุศลทั้งหลายเหล่านี้มัพยายามละละมิจฉาทิฏฐิเข้าสู่สมาธิละ อุปถัมภ์คำชูมากที่เหลือด้วยเออดูเห็นไหมว่าตัวสมาสังปาก็ต้องไปคอยอุปถัมสมาธิถี่ด้วยอุปถัมยังไงเพราะการตําริที่ถูกต้องนี่แหละถึงเป็นปัจจัยความเห็นที่ถูกต้องได้เห็นไหมความเห็นที่ถูกต้องก็เป็นใจการตําริที่ถูกต้องมันเกื้อหนุนกันอย่างนี้เพราะการตําริที่ถูกต้องนี่แหละสมาวาจาจึงเกิดวาจาที่มันจะเกื้อเมื่อจะละมิฉาวาจาเป็นต้นได้ เพราะการดำรีที่ถูกต้องสมมากรรมตะถึงเกิดเพราะดํารีที่ถูกต้องสมาอาชีวาถึงเกิดดํารีที่ถูกต้องนี่แหละความเพียรถึงเกิดดํารีที่ถูกต้องนี่แหละสติถึงเกิดดํารีที่ถูกต้องนี่แหละสมาธิความตั้งมั่นถึงเกิดใช่ไหมไอ้การดำรีใช่ไหมมาเกื้อกูลกันอย่างนี้แล้วก็ครอบงําปิโยธาธนะครอบงํำกิเลสอย่างหยาบหยาบอย่างกลามอย่างละเอียดนะเพราะการดําริที่ถูกต้อง ก็เป็นสมมาวจากลักิเลสอย่างหยาบที่จะออกมาทางวาจาได้ดนัมฤตถูกต้องทําสมากรรมตาเกิดขึ้นก็เลยละกิเลสอย่างหยาบทางกายได้นัมฤตถูกต้องทําอาชีพที่บริสุทธิ์เกิดขึ้นก็ละกิเลสอย่างหยาบทางทางอาลั์ชีพได้ดําริที่ถูกต้องทําความเพียรให้เกิดทําสติให้เกิดทําสมาธิให้เกิดก็เลยละกิเลสอย่างกลางที่เป็นนิวรธรรมได้นําริที่ถูกต้องทําปัญญาให้เกิดจิงละกิเลสละเอียดคือกลุ่มอนุสัยเป็นต้นได้ มองเห็นนี่ยังแล้วก็วิวโสธนะก็คือชําระกายวาจาใจสะอาดแทงตลอดวิปัสนาญาณที่หนึ่งเป็นต้นไปตามน่ะเออวิปัสนาญาณจะเกิดขึ้นไม่ได้นะถ้าดําริผิดต้องดําริที่ถูกเพื่อจะเป็นปัจจัยเกี่วิปัสนาญาณที่จะเห็นรูปนามตามความเป็นจริงเห็นเหตุปัจจัยของรูปนามเห็นรูปนามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเบื่อหน่ายในรูปนามทั้งหลายเนี่ยไอการดํารินี่แหละเป็นตัวกระตุ้นเกื้อหนุนเป็นตัวเกื้อหนุน ยังคุณวิเศษให้เกิดมีโซดาปฏิมาคเป็นต้นแทงตลอดมากรู้อริยสัจสี่จนถึงมีนิโรธาสัสจจะเป็นต้นดำเนินไปได้อันนั้นก็เพราะการดำริที่ถูกต้องนี่เองพอมองเห็นนี่ ย, ยากไหยไม่ยากนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะ ไปตัวสมาธิฐิเมื่อ ก, กี้สมาสังาปากปะทำหน้าที่ละมิฉาสังาปากปะพร้อมกับกิเลสที่เป็นปฏิบัติ์กับตนตอนนั้นมีที่ผานเป็นอารมณ์ด้วยเนะี่ยยกสากชาตธรรมขึ้นสู่อารมณ์เกิดปฏิพานด้วยต่อไปเป็นสัมมาวาจาสัมมาวาจานี่เขาละมิฉาวาจานะพร้อมกับกักละ ก, ก, กิเลสที่เป็นเหตุให้เป็นการกล่าวที่มีถูกต้องถอนกิเลสได้ด้วยเนะี้ ไม่ใช่ละชั่วคราวอย่างเดียวนี้สมมาวาจาหมายถึงเจราจาชอบพูดถูกทำถูกวินัยพูดแล้วไม่เสียหายมีแต่ดีฝ่ายเดียวการงดเว้นจากวจีเทเจริญสีได้เด็ดขาดมี่จัดเป็นสมมาวาจาในองค์มรรคด้วยทีนี้องค์ธรรมที่เป็นข้อ บ, บิติในสมมาวาจาเจตนาที่งดเว้นจากการพูดเท็จ<า><า> เจตนาที่งดเว้นจากการงดเว้นจากการพูดส่อเสียดเจตนาที่งดเว้นจากการพูดคำหยาบเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดเพ้อเจือที่จริงเขาพูดถึงตัวเวราเจตนาอกุสนเวราเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุแห่งการพูดเท็จเราจะมีเจตนาตรงนี้เยอะเวราเจตนากุศลที่เป็นเหตุแห่งการพูด พูดส่อเสียเวรเจตนาอุศลที่เป็นเห็นการพูดคำหยาบเวราเจตนาอุศนที่เป็นเห็นการพูดเพื่อเจอ้อเรามีเจตนาตัวไหนแรงที่สุดพูดเท็จพูดให้คนทะเลาะกันแตกล้าวกันพูดคำหยาบด้วยความโกรธด้วยความหงุดหงิดพูดเพื่อเจอ้อพูดแบบไร้าสาระไปเรื่อยๆยังไงขอให้พูดเป็นสบายใจอะ่ะชอบระบายอะ่ะตรงไหนที่เรามีบ่อยที่สุด พอทูกใจขึ้นมาก็ให้ระบายน่าจะพูดเท็จพูดเท็จมีด้วยพูดเท็จมีมีแบบไอ้ที่คนถามกินข้าวแล้วยังอันเนี้ยเราจะไม่พูดเราจะบอกกินแล้วเพื่อเขาจะได้ไม่ต้องจัดออกจากบ้านมาแล้วยังอันเนี้ยมียังมีที่ว่าเราต้องเปลี่ยนคําพูดแล้วออกแล้วนะ หรือถ้าทานเข้าวแล้วบอกไม่ต้องไม่ต้องลําบากถ้าคําว่าพูดว่าไม่ต้องลําบากก็ไม่ได้พูดเท็จอุูนี้ใชแต่แต่ก่อนมันจะแปัญญาเป็นตัวกําหนดมันจะพูดเลยทันทีะัาานมาอันนี้จะเป็นบ่อยเวลาที่ไปไหนมันจะมีเ น, นี้ยก็เป็นพูดในหลายอย่างแต่ว่ามีพูดเท็จมันเหมือนอย่างเช่นคนชวนไปงานแต่เลยไม่อยากไ ป, ปก่อนเลยบอกว่า ไม่ว่าง mm hmm. แต่ว่าจริงๆแล้วว่างนอนอยู่บ้านเ้าหลัง้ใช้ไมว่าไม่สะดวกไม่นั้นเราจะจริงๆถ้าพูดเป็นวันนี้บอกไปเองก็พี่ปูแม่ไปวค่ะก็คือพี่ปูเขาชวนไปงานนะคะแล้วเขาก็เลยแค่บอกว่าเจอกันยนี้เาาไม่ว่างโทษที่ขาดไปไม่หวลืมไปไม่มีุระ่ไม่ได้มีอะไรแล้วอเรื่องอย่างนี้จะมี พูดงแงจริงๆคําพูดที่พูดลักษณะแบบเนี้ยเป็นคําพูดที่เป็นพูดไม่จริงแต่ไม่ครบองค์ประกอบเพราะว่าพูดแล้วไปหักลานประโยชน์เขาไหมไปทําลายประโยชน์เขาไหมประเด็นมันอยู่ตรงนั้นถ้าไปทําให้เขาเสียหายให้ไปหักลานประโยชน์ของเขาออย่างเนี้ยมันเป็นครบองค์ไงทีนี้ เมื่อจเจริญปัญญาขึ้นมาแล้วเนี่ยตัวปัญญาจะกำหนดเขาเรียกเป็นขปิยะโวหารเป็นคำพูดที่สมควรเป็นคำพูดที่สมควรฉลาดในการใช้คำพูดมันเป็นปัญญาเป็นตัวตกแต่งคำพูดแล้วทีนี้เรามีเจตนางดเว้นมีเจตนาที่ wen, งดเว้นงดเว้นเวลาเจตนาอุศนที่เป็นเหตุในการพูดเท็จมันจะมีมีทำลายตัวนั้นทันที แล้วทําลายเจตนาชั่วร้ายอที่จะเป็นเห็นการกล่าวเท็จเจตนาชั่วร้ายที่เป็นตัวกระตุ้นให้พูดส่อเสียดเจตนาชั่วร้ายที่พูดด้วยความโกรธบางคนโกรธแล้วเนี่ยแล้วพูดออกไปเนี่ยมันหยาบ น, นเนี่ยเขาพูดนั้นเนี่ยถึงแม้จะพูดเพราะก็หยาบเนี่ย น, นี่คุณที่บอกว่านี่ขับรถดีๆหน่อยได้ไหมแต่ในใจอเอ้ยขับอย่างนี้ได้ไงวะแต่เราไม่อยากพูดทาหยาบออกมาไงแต่ในใจมันหยาบเต็มที่แล้ว ด่าด่าไม่รู้เท่าไหร่แล้วในใจแล้วก็พูดมานี่ขับดีๆรู้ไหมเนี่ยเนี่ยฉันฉันนั่งอยู่เนี่ยรู้สึกฉันลำคานนะเนี่ยอะไรเงี้ยเนี่ยเนี่ยคำยาบนี่คือเวราเจตนาอคติส่วนที่เป็นเหตุครับพูดอยาบเธือพูดแล้วคนฟังเขาเขาเขาเสียดเขาทุกข์ใจไปเบียดเบียนกันนั้นคนที่เจริญสัมมาวาจาได้ดีเนี่ย เวลาจะพูดตรงนี้ก็จะพิจารณาพิจารณาอยู่เร็วมากแล้วปัญญาเป็นตัวกําหนดคําพูดจัดการกิเลสภายในใจให้สงบลงมีปัญญารู้และเข้าใจพูดเพื่ออเรารู้ว่าคนคนนี้ยกิเลสประเภทนี้เขาแหลงมากกิเลสเมามันในการขับรถเผลอเลยในการขับรถแล้วก็ไม่รับผิดชอบในการขับรถละเลย พุ้งซานเพอร์เจอรลงไหลมันจะพูดเพื่อดึงสติเขากลับเพื่อจะทําให้เขาทําให้เพื่อจะถอนกิเลสในใจเขาถอนความไม่ดีในใจเขาพูดเพื่อจะอนุค้อเขามันจะมีวิธีเลยตอนนี้หนกักอาจจะพูดเรื่องอื่นก่อนแล้วก็บอกมาเรื่องนี้เฮ้งขับรถมากี่ปีแล้วนี่จะว่า <c oughs> เอ้นี่เขาใช้ความเร็วเท่าไรถนนนี่ดเดี๋ยวนี้เขามีเขามีจับไหมรับขับความเร็วมีกล้องมีอะไรเยอะไหมไหนมันมีมุมไปเลยนะแต่จริงเฮ้ยเขาก็พูดไปเขาทั่วใช่ไหม <c oughs> คนเก่งตายกันหมด <c oughs> แล้วแล้วก็พูดให้เขาเกิดความได้สติกลับคืนมา <c oughs> เมื่อเขาสติสมบชัญยะกลับคืนมา <c oughs> เขาทําลายกิเลสเขา เขากระกายเป็นคนไม่ประมาทนี่รักษามองเห็นไหมพูดเพราะเห็นว่าอย่างยกตัวอย่างที่หนูโกรธอึ่งนีอไม่ใช่พูดเพื่อไปทําลายหนูเนี่ยพูดเพื่อให้หนูดึงโทสะออกละโทสะก็พูดจะตกให้มีสติสมัมปญญาขึ้นมาพูดให้เกิดความละอายตบาะขึ้นมาพูดให้เกิดความเกรงกลัวตบาะขึ้นมาว่าถ้าขืนให้โทสะมันครอบงำหนูจะเป็นทุกข์ยังไงในปัจจุบัน และบุคลิกภาพจะเสียยังไงเสื่อมราภเสื่อมยศจะตามมายัางไงประสบความทุกข์สภาพสมพมังคมสิ่งแวดล้อมจะเสียหายพราโทสะของหนูยังไง ก, ก็พูดด้วยอนุขนี่สัมมาวาจามันจะเป็นอย่างนี้เพราะมันเห็นมันเห็นกิเลสบางทีมันเห็นคนคนนี้ยเป็นคนเห็นแก่ตัวเหมือนกันเหมือนกันอยู่กับลูกน้อง เ, เออมันต้องรู้ใช่ไหมมันต้องรู้ว่า ลูกน้องคนเนี้ยกิเลสตัวไหนมีกําลังมันอ่านขนาดนั้นะอการพูดอย่างนี้จะส่งเสริมกิเลสเขาพูดอย่างนี้จะทําให้กิเลสเขาไม่เกิดยังไงพูดอย่างนี้จะกระตุน้นเตือนกุศลเขาให้เจริญให้เขาเจริญงอกงามในกุศลและธรรมยังไงโอ้โหมันฉลาดขึ้นมาเยอะเลยชะมันก็รู้จักจริงจะพูดแท้จริงก็คือพูดเพื่ออ่านุเคราะห์นอกจากทํําทาลายมิจฉาวาจาตัเอง เวลาเจตนาส่วนที่ไปเห็ น, นการข่าวเทศเศรีษะทำอย่าเพื่อเจริญไม่พอยังพูดส่งเสริมให้เขาเกิดความอาจหารได้เลยพูดให้เขามีกําลังใจพูดให้เขามีความเชื่อมั่นพูดให้เขามีความสุขพูดให้เขาได้ได้ศรัทธาได้ความเพียรได้สติโอ้โหไม่มีคำพูดอีเ <c oughs> ยอะยิ้มแย้มแจม่มใสมุนโหหลักการพัฒนาเลยนะเนี้ยใช่ไหมก็สื่อสารเป็น ขนาดนั้นเ ว, วลาคนหงอยเหงาไปหาพระพุทธเจ้าเนี่ยยิ้มกลับมาทุกคนเวลาคนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าประเภทที่หมดเห็นไหมไปหมดสภาพไปเลยนะกลับมายิ้มมีคนแก่คนหนึ่งเข้าไปหาพระพุทธเจ้างกงกเงิี้ยเนอนนพะพอกลับมายิ้มมองมาหาภาษาลิบุตรภาษาริบุตรถามว่าทำไมยิ้มแย้มยำใสโอ้โหไม่ได้ยิ้มแย้มยำใสได้ยังไงโอ้โหได้ธรรมโอธรรมโอสถโห้อิ่มเ อ, อิบมากอย่างนั้น ไปหาพระเจ้าจึงรู้ความจริงข้อเนี้รู้ความจริงอะไรรู้ว่าโอ้กายมันป่วยตลอดเวลานั่นแหละนั้นก็พระเจ้าบอกว่าให้สมาทานในใจไว้ตั้งใจว่ากายป่วยใจไม่ป่วยกายกายอ่อนแอแต่ใจอย่าเข้มแข็งเห็นไหมก็คือว่ากายเนี่ยมันป่วยตลอด มันต้องวิ ป, ปริตมันมันเปลี่ยนแปลงตลอดแตใจต้องแข็งแรงใจต้องมั่นคงใจต้องมั่นตั้งมั่นพอพระเจ้าพูดอย่างนี้โอ้มีกําลังใจแล้โอ้โหต่อไปสมาทานะมหาภาษาด้วยภาษาือก็ถามต่อว่าเอาแล้วทํำยังไงใจทึ้งจะไม่ปวดจะคิดยังไงจะดําเนินชีวิตยังไงจะลงมือปฏิบัติยังไงท่านค่ เออเนี่ยที่มาหาท่านก็ต้องการอยากจะรู้เรื่องนี้แหละที่ลืมถามบุญเจ้าลืมที่มาหาท่านภาษาลิบุตรก็ต้องการถามเรื่องนี้แหละภาลิบุตรโอ้มาผิดคนแล้วท่านเนี่ยอะไรบุตก็เลยต้องบอกวิธีว่ า, าจะคิดยังไงที่จะลงมือปฏิบัติการเพื่อจะทําให้กายป่วยทำให้ใจไม่ป่ว ย, ยนี้เป็นต้นยยอย่างนี้สื่อยายสารอย่างนี้สื่อสารเป็นไหม <die pie> สื่อสารเป็นนั่นสำคัญไหมเรื่องการสื่อสารเห็น ไ, ไหมสื่อสารไม่เป็นเป็นมิจฉาวาจาสื่อสารเป็นเป็นสัมมาวาจาเป็นหลักการพัฒนาบุคลิกภาพด้วยมนุษย์โดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยเรียนกันในวิช า, าพวกนี้อันนี้วิชาหราศาเจ้าเป็นหลักการในการทำงานเลยนะถ้าใครฝึก ด, ด้านสัมมาวาจาได้โอ้โหเป็นที่รักของผมมู้คนไปที่ไหนเขาจะมอง ไม่เก่งนี่คือคนคนหดหูพูดให้เขาเข้มแข็งได้คนก โ, ราาโรกโรธพูดให้เขาหายโกรธใช่ไหมไม่ใช่เขาโกรธนิดเดียวพูดให้เขาโกรธโอ้โหตายเลยเคยไหมเขากโกรธอยู่นิดเดียวเนี่ยไปแย่แล้วเขาจนโกรธจน โ, นโ ห, โหจนไปใหญ่เลยอันนี้พอเห็นเขาเขาเกลียดค้านพูดให้เขาเกิดขยนดันไดน้ให้เขาขยานัน เขาเป็นคนนี่หมดกําลังใจพูดเลยเขามีกําลังใจใช่ไหมเขาไม่รู้จักหลักนะได้ทุกอย่างเลยเอไม่ธรรมดาอได้แม่ดีได้แม่เป็นที่พึ่งเลยที่พึ่งที่บานมาตลอดเลยเนาะมันมีที่พึ่งที่มันคงต้องพยายามให้พึ่งตัวเองได้เ เพราะว่าพุทธเจ้าบอกว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนใช่ไหมอันนี้เป็นหลักความจริงหรือหลักปฏิบัติเนี่หลักความจริงไม่ใช่หลักปฏิบัติคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ไม่ใช่หลักความจริงไม่ใช่หลักปฏิบัติเมื่อบุคคลมีตนที่ฝึกดีแล้วจึงชื่อว่าได้ที่พึ่งที่หาได้ยากที่สุด เมื่อบุคคลมีตนที่ฝึกดีแล้วนี่เป็นหลักความจริงหรือหลักปฏิบัติหลักปฏิบัติเราต้องปฏิบัติใช่ไหมตอนไม่มีศรัทธาก็ฝึกให้มีศรัทธาที่ตอนไม่มีความเพียรก็ฝึกให้มีความเพียรตอนไม่มีสติก็ฝึกให้มีสติตอนไม่มีสมาธิก็ฝึกตอนไม่มีสมาธิตอนไม่มีปัญญาก็ฝึกตอนไม่มีปัญญาใช่ไหมมนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่ฝึกได้ไหม ฝึกได้ไหมเป็นกําลังใจต้องฝึกเป็นเป็นหน้าที่ฝึกได้นี่เป็นกําลังใจอต่อไปก็เมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ต้องพึ่งไม่ต้องพึ่งปัญญาของใครต่อแล้วก็พึ่งปัญญาที่เราฝึกขึ้นมาได้นี่ยพอเห็นปัญหาปุ๊บหนูก็มองออกทันทีเลยหรือไม่หรือชอบพึ่งคนอื่น พึ่งตนเองดีกว่าอยาจะพึ่งตนเองได้ก็ <c oughs> เห็นไหมคําว่าพึ่งตนเองในที่นี้ก็คือการมีพราชนะใจเป็นที่พึ่งนั่นแหละศรัทธาเป็นธรรมะเป็นพรนาตนะใจวิริยะเป็นธรรมะเป็นพรนาตนตรยัยสติก็เป็นธรรมะเป็นพรนาตนะใจ สมาธิก็เป็นธรรมปัญญาก็เป็นธรรมศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่เป็นธรรมรัตน์นะแล้วเป็นพุทธรัตนะตอนไหนพระพุทธเจ้าผู้บอกเห็นไหมพราะพระพุทธเจ้าบอกหลักการความจริงตัวนี้ไว้และเป็นสังฆรัตนะอย่างได้อย่างไรบุคคลที่เข้าถึงตามพุทธเจ้าก็เป็นสังฆรัตนะแล้วก็เอาแบบอย่างเอาบุคคลที่เข้าถึงมาเป็นสารณนะมาเป็นแบบอย่างเอามาเป็นหลักในการดําเนินชีวิต เราจึงเชื่อว่ามีพระรัชลณาธารายเป็นหลักเป็นที่พึ่งเป็นหลักดำเนินนั่นเองงั้นเราก็เข้าถึงเสเองเราก็เลยเป็นหนึ่งในรัตนะเลยเดีไว้อย่างนีน้มีเป็นอย่างนี้เห็นไหมคาว่าเราพึ่งเนี่ยถ้าบอกพึ่งพึ่งพระเจ้าภูรายาม น, นันนะพึ่งพระเจ้าอยู่เบื้องบนแล้วแต่ท่านจะดนบันดาลแต่พึ่งพระพุทธเจ้าแปลว่าพึ่งตนเอง ก็คือฝึกตนเองให้มีให้ได้ท right? ี่พึ่งเมื่อตนเองเข้าถึงศีลสมาธิปัญญาเข้าถึงศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเข้าถึงความอดทนเข้าถึงขันติแปลว่าเราได้ที่พึ่งขันติเป็นธรรมรัตนะบุคคลที่บอกเราคือพุทธรัตนะคนที่เข้าถึงตามพุทธรัตนะคือสังฆารัตนะอ้าวเราก็ได้ฝึกตนเองที่เข้าถึงเราก็เลยเป็นหนึ่งในสังฆะด้วยก็เรียกว่าเราได้ที่พึ่งคือพระรัตนะก็คือพึ่งตนเองอันเดียวกัน ว่เข้าใจไหนี่เป็นแบบนี้เนี่ยเมื่อบุคคลมีตนที่ฝึกดีแล้วชื่อว่าได้ที่พึ่งที่หาได้ยากที่สดุดถ้ายังฝึกตนเองไม่ได้โอ้เดี๋ยวนี้ไม่ได้ที่พึ่งยุ่งนะถ้าได้ที่พึ่งตอนนั้นเจอปัญหาในขณะนั้นพบมันแก้ได้ทันดีนหมแก้ได้ทันดีอันเวรัเจตนาอากุศลที่เป็นเหตุแห่งการกล่าวเท็จ เรายังมีอยู่เราจะต้องลนะให้ได้เจตนาชั่วร้ายที่เป็นเหตีตเป็นการเก่ า, าวส่อเสียบังพีเราเราไปพูดอีท่าไหนไม่รู้ขาดสติถ้าเป็นคนทะเลาะกันทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้มีเจตนาแต่ความที่ปัญญาเราไม่พอแล้วก็เลยไปพูดยกตัวอย่างความจริงให้เรื่องนี้แล้วก็ไปอีกคนหนึ่งเสียหายสองคนก็เลยแตกไอ้อย่างเงี้ยเลแม้ส่อเสียดโดยไม่ได้ตั้งใจก็มี แต่ถ้าปัญญามาพบเราก็จะรู้ว่าเอ๊ะถ้าพูดคำนี้จะมีปัญหามีปัญหาเพิ่มแยกเลยอย่างนี้เป็นต้ง <c oughs> นงั้เวลาเราอยู่ในสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมเราก็จะสังเกตเห็นอะไรเยอะเราจะเห็นสิ่งต่างๆมาแล้วก็ไม่ต้องอะไรหรอกแม้การกระทำทั้งหลาย ขนาดให้ทานเนี่ยแล้ว เ, เอาของไปให้คนอื่นยังมีถ้าไม่ฉลาดในการให้มันยังเป็นปนัญหาเลยแค่ไม่ฉลาดในการเลยเป็นมล่ะคนบางคนเนี่ยเราให้พออีกวันหนึ่งไม่ให้เขาโกรธเขาจะก็เป็นหน้าที่เราเดนี่เอกจะเห็นชัดหนุห่มพี่ก จ, จะเป็นอย่างนี้ ก็วันที่ 17. ที่เอ๊ะวันที่สิบเจ็ดแนก็เกิดที่สิบเจ็ดยิบเจ็ดใช่ค่ะไปยิบเจ็ดใช่ค่ะที<แ>่นิมนต์ะั่เเดือนนี้แหละเราเขาจะให้ยันไปเทศเยวเครื่องเสียงที่นี่มากไปเอาไปแล้วเอาไป้แล้วเขจะไปบรรยายก็จะลูกน้องเข้ามาทั้งหมดแล้วเพื่อนเขใช่เาชวนเพือเ่อนมแล้วก็จะให้ยันเทศเรื่อง เรื่องการใช้คําพูดหรือการให้ทานการให้ทานที่ถูกต้องเป็นการละทานเนียป็ดข้าทําอะไรอย่างไงและถ้าให้ผิดเนี่ยผิดการละทานเนี่ยมันเสียหายยังไงโดยมากเราจะไม่ค่อยฉลาดในเรื่องการละทานบางทีให้กับลูกน้อง ให้ไปให้มาลูกน้องแตกแยกกันไอคนนี้ได้มากไลยน้องเราพูดกับลูกน้องแล้วก็สอนสอนบรรดาลูกน้องเขาด้วยให้เข้าใจว่าหนึ่งคนที่จะไปแจกทานเนี่ยต้องวางท่าทีทางใจยังไงใช้คำพูดยังไงเมื่อเห็นบุคคลที่มารับทานมีปฏิกิริยาต่างกันอย่างไรเราควรจะทำอย่างไรที่ไม่ให้กิเลสเกิดเพราะการจะทำของเราเราต้องการชาระกิเลสใช่ไหม ชำระให้สละนอกไม่พอจะต้องสระข้างในอย่างนี้และเมื่อเห็นปฏิกิริยาของบุคคลที่นํามาเยอะแยะเราควบคุไมไม่ได้เขามีปฏิกิริยาต่างกันเนี่ยและเราจะวางท่าทีทางใจอย่างและบรรดาบุคคลที่จะรับทานเขาเนี่ยจะเกื้อนหนุนทําให้ทานของบุคคลที่เราไปรับเนี่ยมีผลมากมีอธิสมากต่างฝ่ายให้มีความเกื้อนหนุนเกื้อกูลพูดเลยเพราะโดยมากเนี่ยคนก็จะไม่ค่อยเข้าใจ จริงไหมบรรดาลูกน้องบางทีเจ้านายทําให้ลูกน้องเสียบางทีลูกน้องทําให้เจ้านายเสียพเพราะปฏิบัติต่อเันไม่ถูกอา้าวเจ้านายทําให้ลูกน้องเสียบางทีก็ไปพูดกดพู ด, พดนั่นเขาบางทีก็ไปให้เขาเจนเหลืองจนเสียไปช่วยเขาเจะเสียคนบางทีไม่ช่วยเขาเจะเสียคนช่วยน้อยเกินไปมากเกินไปอความพอดีมันอยู่ตรงไหนอะไรเป็นเครื่องวัดความพอดีนะ การจะเจริญปัญญาเพื่อจะให้เห็นดุนยภาพให้เกิดความพอดีนั่นจะเจริญยังไงตรงนี้รายละเอียดตรงนี้นะสาคัญนะถ้าปัญญาไม่เกิดมันจะไม่เห็นความพอดีมันจะลําเอียงในลูกน้องคนนี้น่ารักให้คนนี้ไม่น่ารักไม่ให้อะไรเงี้ให้ไปให้มาลูกน้องเสียคนเลยลูกน้องก็วางท่าทีทางใจไม่เป็นไม่เป็นเจ้านายก็วางท่าทีทางใจไม่เป็นออกจากคนนี้ไปอยู่คนอื่นก็เสียคนไปเลยไปไปมาก็ได้สิ่งแวดล้อมไม่ได้กัลยาณมิตรที่ดี เนี่ยเป็นแบบนี้เยอะแยะหมดในชีวิตที่ผ่านมาใช่ไหมใช่ที่ทำมาอะไรอืมเป็นอย่างเราก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าเ อ, อบางทีเราก็ปาดความรับผิดชอบคนนั้นมันนิสัยอย่างนี้ไปเลยโอ้โหรายละเอียดมันเยอะนะการอยู่กับมนุษย์นี่ไหมบางทีเราไปคบกับคนถ้ามีคนตามใจเราเยอะแยะเราเสียคนไปเจอคนขมเราเยอะแยะเราก็เสียคนนีกใช่ไหมโอ้โหมันขนาดนั้นเลย นันเจตนาเนี่ยเขาบอกว่าความงดเว้นความงดความงดเว้นการเว้นขาดเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากวจีทุจริตการไม่ทําการไม่เลิกทาการไม่ล่วงละเมิดการไม่ล้ําเขตการกําจัดต้นเหตุแห่งวจีทุจริตนี่เป็นสมาวาจานะไอ้ต้นเหตุของวจีทุจริตบางทีมันต้องตั้งจะมันมีเจตนาชั่วร้ายตลอด เวลาเราโกรธขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมีเจตนาเกิดรอบขึ้นมาแล้วก็มีเจตนาเชื่อแล้วเกิดพุ้งซ่านขึ้นมาก็พูดดว้วยความพุ้งซ่านบางทีอย่างเมื่อวานก่อนนี่มีคนใหม่เข้ามาก็ก็พูดของเขาอยู่พูดไม่หยุดพูดไหนก็เริ่ ม, มหงุดหงิดแล้วเออฉันก็นั่งดูโอ้คือชีวิตของเขานี่ย เขาเจอแต่สิ่งที่ไม่ดีแล้วเขาก็ทุกกับปัญหาชีวิตของเขาเนี่ยทุกจากการที่เขาใช้ชีวิตผิดภาพเนี่ยมันก็กลายเป็นสองส่วนส่วนที่ฟุง้งออกมาพูดระบายไปเรื่อยๆว่าจะขับรถไปที่ไหนก็ด่าคนนั้นบ้างด่าคนนี้บ้างด่าภาพาบ้างด่าชาวบ้านบ้างอะไรก็แล้วแต่เท่าที่คิดได้นี่กลุ่มเนึ่ย อีกกลุ่มหนึ่งก็คือถอดถอยไปเลยไม่พูดซึม mm hmm. ใช่ไหมันนี้มีคนสองกลุ่มย่นี้ในโลกใบนี้กลุ่มซึมกับกลุ่มเพอ้อ mm hmm. ถ้าซึมเนี่ยกลุ่มพวกนี้เราจะว่าอาการป่วยทางจิตถ้าพวกเพอ้อนี่เราคึกว่าเออพวกนี้ยไม่ได้ป่วยแท้จริงป่วยทุกหนูจะเป็นยังไงในอนาคตหนูชอบเป็นแบบไหนไม่เป็นเลยนะคะ เป็นแเศร้าสิ้มากกว่าคุมากกว่าใช่ไหถ้าดําเนินชีวิตผิดหรือดําเนินไม่เป็นมันจะไปสู่สองทางนี่แหละจะหงอยกับฟุ้งไปนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่นยงไงที่จะไม่เป็นทั้งสองอย่างเพราะว่าทั้งสองอย่างเนี่ยมันเป็น มันเป็นปฏิปทามันเป็นพวกกลุ่มปฏิปทาที่มันปฏิปทาที่มันเขาเรียกปฏิปทาที่ไม่เกรียมยมเกียมนะฮียมเงียมเฮียมเกรียมไม่เกลียมอันเดียวกันก็ถือเป็นปฏิปทาข้อปฏิบัติที่มันผิดพลาดมันเผาตัวเองเป็นกลุ่มอัตกิรมาานนิยมมันจะออกมุมนี้ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเหมือนเศร้านัง นั่นแหละไอ้กลุ่มนี้ยอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกติดสุขติดกรารมาสุขติดกรารมาคุณไปเลยอาศัยกามาคุณเป็นตัวหล่อเลี้ยงรุนนังฟังเพลงเพลิดเพลินเทีเเท่ยวให้มันชุ่มใจทางด้านนี้ไปเลยอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเนี่ยโฟงบัางกับซึมหงอยเหงาบ้างเนี i, ่ยกลาเป็นคนมันจะมีคนสองคนไอ้ไอก้กลุ่มกลุ่มเพลิไปวันวันวันวันกับกลุ่มหงอยเหงาเศร้าซึม กลุ่มนี้มันมาจากกลุ่มทิฏฐิกลุ่มเครียดนะกลุ่มเครียดเป็นวิชาปฏิวัฒนทางด้านไม่เตรียมหรือว่าเป็นการปฏิบัติที่เผาตัวเองนะเผาตัวเองให้ลําบากบางคนก็เผาไปหดหูท้อถอยเซ็งซึมไปเลยทีห่หนักหน่อยก็กินยาช่วยทั้งสองกลุ่มเนี้นะหรือไม่อย่างนั้นก็ทั้งๆั้ ท, ที่มีทุกอย่างนี่แหละ แต่ตนเองถูกกดดันไว้ทั้งชีวิตเราจะเห็นนักร้องเกาหลีผ่าตัวตายนักร้องไทยอะไรก็จะคนล้วนแต่ระดับระดับที่ว่าดูเหมือนประสบความสำเร็จในชีวิตนะแต่ชีวิตเขาไม่ได้มีความสุขเลยแล้วก็เขาอยู่ในโลกใบนี้ไม่ได้เพราะอะไรฐานความสุขมันหมดใช่ไหมธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่จะเป็นความสุขให้มนุษย์เขาอยู่ไม่ได้อยู่กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อ ม, มอยู่กับเพื่อนมนุษย์ไม่ได้ก็ไม่มีความสุข อยู่กับกิจกรรมของชีวิตก็ไม่ได้ไเขาก็อยู่กับสิ่งเสพสิ่งเสพมันก็หมดค่ามันไม่ให้ความเพลิดเพลินกับเขาหมดนะกลัวไหมกลัวเป็นแบบนี้หมนี่นี่นี่กลุม่มอีกกลุ่มหนึ่งก็ยังพอติดสุกจากเสพอยู่เปลี่ยนสิ่งเสพไปเรื่อยๆนะเปี่ยนไปเรื่อยๆ เ, เ, เปลี่ยนสิ่งเสพอาจจะเสพทางตาทางหูทางอะไรก็แล้วแต่ คือให้มันได้ความเพลิดเพลินย้อมใจไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆนี่กลุ่มเนี่ยนี่กลุ่มกลุ่มติดสุขเรามีแนวโน้มหนูมีแนวโน้มไปกลุ่มไหนกลุ่มที่ททางไม่ใช่สิ่งไม่ใช่สุขเครียดกลุ่มทุก แต่นั่นสุกนี่แต่อันนี้ต้องอันนี้คือสุกใช่ไหมคะสุกจริงๆรหมือว่าแต่อันนี้คือถ้าไปไม่สุกแล้วแม่จะทำอะไรถ้าแม่ไม่สุกก็คือเหมือนกินเหล้าไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงไม่สุะมันหมดเพราะสิ่งเสพเพราะสิ่งเสพนั่นมันมันหมดรสชาติมันไม่ บางคนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเซ็งหมดแล้วไฟมาหมดมันไม่สุกไปเที่ยวต้นมะดูป่าเขาต้นไมะมันก็ไม่ได้ความสุขอยู่กับเพื่อนมนุษย์จะเซ็งเบื่อไม่รู้จะคุยกับใครคุยไปคุยมาก็เซ็งเบื่อคือเบื่อหมดเลยก็เหมือนคนแก่ที่ที่สมมติว่าตอนแก่ๆแล้วยังทํายู่เหมือนยังเป็นบ้าอยู่อะเจ้าไม่ได้เป็นบ้าแต่ว่าที่ทําเยอะๆอยู่อย่างนี้เลยเวลา ถึงบ้านไายชีวิตตัวเองกันนั่งซึมหงอยไ ป, ไปกม่มีกลุ่มหนึ่งก็เพ้อไปพูดสื่อกับใครไม่ได้แล้วระบายออกอย่างเดียวรับรับเข้าไปไม่ได้ระบายระบายเคยเห็นเคยเห็นไม่คนเป็นระบายก็ไปลีกมีเป็นไปรักษามีสองกลุ่มมันจะมีสองกลุ่มกลุ่มการมาสุขคาริการนุโยกหมกมุ่นในการมาสุขในการมากุ กับอัตตกิรมะาฐานิโยกพวกนี้ติดความเครียดความรุ่มความทุกข์ความเครียดทั้งหลายทรมานตัวเองทรมานตัวเองนี่สุดโตกไม่สามารถดำเนินไปตามมัจจิมาปฏิปทาได้ตัวเนี้ยคือไม่สามารถใช้ปัญญาเป็นตัวนำพาชีวิตไมถ้ามีปัญญาเป็นตัวนาพาชีวิตปุ๊บ ปัญญาที่สั่งสมมาข้อมูลในการดําเนินชีวิตแสงสว่างคือปัญญามาใช่ไหมปฏิบคือปัญญามาดาประกาศยพยืฤกษ์มาเหมือนกระแสสว่างมามันจะดําเนินชีวิตมันจะมีสุขทุกขั้นตอนเมื่อได้รู้ความจริงเมื่อดําเนินชีวิตไปตามไปไปตามเหตุและผลตามความปจริงมันก็ฝึกตนเองได้ทุกขั้นตอนปัญญาก็ไปเกื้อกูลการดํารินะการดําริดกระถูกดําริที่ไม่ติดแน่นในการดําริในการเมตตาดําริในการคิดกรุณาคนอยู่ มันก็การปัญญาก็ไปคอยกระตุ้นปัญญาจะพูดยังไงกับเขาให้ถูกต้องตามการบุคคลสังคมสิ่งแวดล้อมไปกระตุ้นการกระทําให้ถูกต้องไปดําเนินชีวิตที่ถูกต้องใช่ไหมเพียรพยายามที่ถูกต้องปัญญาก็เป็นตัวกําหนดให้การดําเนินได้ถูกต้องขยันที่ถูกต้องสติปัญญาก็ไปกระตุ้นสติว่าจะดึงข้อมูลอะไรอะไรควรดึงมาไม่ควรดึงมาปัญญาก็ไปกระตุ้นว่าขณะนี้ควรจะทําจิตให้เป็นสมาธิยังไงโอ้มันเป็นมันชิมาปฏิปทา คนที่จะดําเนินชีวิตอย่างนี้ได้หายากมากยากมากในโลกเลยพันคนจะเจอคนดําเนินชีวิตถูกได้เพีคนเดียวหนึ่งพันจะนให้แสนคนดีกว่าไม่พันแสนคนในะดำเนินถูกได้คนเดียวแล้วลองคิดดูที่ว่าประชากรในเนี้ยหกสิบล้านล้านคนได้สิบคน มีคนสิบคนดำเนินไปถ้าหกสิบล้านคนเท่าไหรมีคนกี่คนหกร้อย <600. S 1> คนหกสิบล้านคนประมาณหกร้อยคนอันนี้อย่างมากเลยนะประมาณหกร้อยคนที่ดำเนินชีวิตเป็นมิมาปฏิปทาด้านนอกนั้นเป็นมิจฉาปฏิปทาไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็น ไม่ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซนไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซนของประชากรในประเทศไทยที่ดำเนินชีวิตเป็นมัชฌิมาปฏิบทตอันนีนน 3, 3, นนนน้ขนาดนักบวชทั้งสามทั้งทั้งสามแสนลูกเนี่ยจะดําเนินผิดเดขนาดนักบวชก็ไปแล้วตอนนี้ไปแล้วเพื่อไปเพื่อเน่ยเขาไม่ตอนนี้เขาไปอีกทางะะอะไรก็ค่เพราะเขาไปแส่เขาไปบวชที่วัดอะไรไม่รู้แล้วค่ะแล้วก็เพื่เหมือนจะไปไปให้ให้เอง เหมือนเหมือนมาให้ถอาหาถวาอาหารนะถวาแล้วที่นี้เหมือนจระส่งมาเป็นสตาร์บัคหนึ่งสองสามสี่้าคนเนอะเขาก็เลยเหมือนงงว่าเหมือนเหมือนไปแล้วเหมือนสระเอส่งมาให้ว่าให้ซื้อนี้ให้หน่อยให้ซื้อนะให้หน่อยสตาร์บัคแบบนี้รถนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแล้วเขาก็เลยบอกไปว่าเขาก็เลยเหมือนตอนนี้เขาก็เลยไม่รู้จะไปหาชีวิตตรงไหนเพราะว่าเหมือนเขาก็เคยเป็นเหมือน เหมนพูดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหคะแต่พอไปเจออย่างนี้เหมือนเขาก็เลยเหมือนไม่รู้จะเชื่อยังไงอย่างเงใจเขา<อ>เขาสั่งให้เอาสตาร์บัคไปให้เข า, <c oughs> า, าแล้วเขาก็เลยไม่ชอบเขาก็เลยเหมือนเขาก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนหมดศรัทธ า, าเขาต้องถามก็ต้องถามอย่างนี้บอกว่าเออเราเป็นแฟนเขาใช่ไหมก่อนหน้านะั้น อันนี้คือเขาพูแฟนไปบทแบบแตบะบเกี่ยวนะคะแต่ว่าอันนี้คือเหมือนเจอเจอเจอพระองค์หรืออ๋อแต่อันนี้เราก็ไม่ได้ถามรายละเอียดแต่ว่ามันถึงว่าเวลาเพราะว่าตอนนี้เขาพูดให้ฟังเขาก็ฟังแต่ว่าเขาก็แค่เล่าประสบการณ์ขอให้ฟังคนเดียรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยแต่ว<ๆ>่าอ้โหจริงจิอาจเป็นเจอก็ต้องบอกเขาว่าเวลาเขาเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่าเอาความรู้สึกไปรับ แต่ความรู้สึกไปรับมันจะได้ชอบกับไม่ชอบหรือไม่งั้นก็เฉยๆแต่โดยส่วนใหญ่มันจะได้สองอย่างเนี้ยชอบก็ไปติดแน่นตัวพันุแกะตัวเองออกไม่ได้ไม่ชอบก็ผลักออกขํามหนิติฉินยังไงเรื่องนี้ต้องเอาปัญญาเข้าไปรู้บางทีก็ต้องเข้าไปรู้ความจริงว่าพระที่เข้ามาบวชมาไปจากไหนมันก็ไปจากคนนี้ใช่ไหมล่ะ ถามว่าเขาบวชวันนั้นสองวันสามวันเดือนสองเดือนปีสองปีเนี่ยจะให้มันเขาดาเนินชีวิตถูกยังไงต้องดูสภาพสังคมถึงแวดล้อมก็ต้องถามเขาว่าเนี่ยถามว่าก่ <c oughs> อนหน้านั้นเขาอยู่ในสภาพครอบครัวอย่างไรใช่ไหม <c oughs> เขาก็เขาก็ติดสภาพทิฐิภาพเห็นทัศนะไปอยู่ในโรงเรียนไหนใครเป็นคนสอนเรียนจบมาแล้วใช่ไ่มสมมุตินะ ถ้าไปอยู่ในครอบครัวที่ขอภัยโง่ไม่รู้เรื่องไปเรียนในโรงเรียนก็ครูก็โง่อีกใช่ไหมแล้วมาบวชเป็นพระเนี่ยกลายเป็นพระฉลาดได้ยังไงพ่อนมาจะเขตโ ง, ง่ทั้งสองจุดเลยวใช่ไหมกลายเป็นพระกับพระโง่สิแต่เนี้ยก็โง่แล้วงงลแต่นี้ยใช่ไหมมองเห็นไหมองมาจากสังคมนั่นแหละโอ้โหถ้าเอาจีวอนไปไปคมป๊อปแล้วมันฉลาดขึ้นมามันคุมไม่หมดทั้งประเทศจริมันจะฉลาดใช่ไหมมันไม่ใช่ ไอ้กีวอมันก็คือพังอะหัวนี่โกนเพื่อสัญลักษณ์มันจะต่างอะไรกับตำรวจที่ไปใส่เครื่องแบบไอ้ตำรวจไม่ดีไม่รู้เรื่องก็เยอะแยะทหารไม่ดีไม่รู้เรื่องก็ต้อเยอะแยะครูไม่ดีไม่รู้เรื่องก็ต้องเยอะแยะเยอะไหมหรือประชาชนเนี่ยใส่ชุดดําไว้ทุกข์อะมันทุกกันที่ไหนล่ะหัวลอกกันล่าเริงนันไว้ทุกหัวลอกกันล่าเริง เผื่อไอ้ใส่ชุดดําน่ยไปเต้นกินลากินทุกข์ไปมีไว้ทุกเหมือนมัน ไ, มไว้ทุกไปร้องเพลงคาราโอเกะในไว้ทุกเือประมาณนั้นเถอะเออเนี่ยมันเคเห็นไหมมันไม่ได้ไว้ทุกอะไรกับจริงหรอกมันแค่รูปแบบนั่นก็มืนกันทั้งประเทศนี่แหละต้องบอกเขาอย่างนั้นในโลกไปที่ก็มืนกันอ้าวถึงเวลาไว้ทุกแล้วแต่ลาโ ย, ยมไว้ทุกนิยมไปอะไรมาไปเที่ยว เที่ยวที่ไหนเที่ยวน้ำตกมาอ๋อไปไหว้เขาไปเที่ยวน้ำตกมาก็เขเา ไ, ไว้ช่วงนี้เขาช่วงไว้ทุกโอ้ช่วงนี้ไว้ทุกข์เท่าไหร่เนี่ยไว้ทุกปีหนึ่งโอเที่ยวน้ําตกสนุกสนานถ่ายรูปกันโอ้เยฮาสนามไปไว้ทุกข์จริงนะแล้วจริงๆไว้ทุกมันเคืออะไรเอยมันคืออะไรก็มาไว้ทุกข์โยมเขาบอกว่าอาหารเสร็จแล้วครับดู ดูตาเขาสิเอ็ดใกล้ๆสิบเอ็ดวสิง่สิสาเอาไว้ไว้ทุกนี่คืออะไรจริงๆคือให้เกิดสังเวชสังเวชเนี่ยแปลว่าให้ปลุกจิตให้เกิดความอาถรรพ์ล่าเริงสะดุ้งสะเทือนเห็นภัยคือความตายว่าเราเนี่ยก็จะไม่พ้นจากความตายเช่นนี้ ใช่ไหมการไว้ทุกข์แรกๆเลยเนี่ยดูทีเนี่ยท่านผู้ที่เราไว้ทุกให้เนี่ยมีอะไรยิ่งใหญ่ทุกรูปแบบยังตายเลยแล้วเราจะเหลือหรือแล้วอะไรเป็นความดีที่เราจะทําเร่งรีบในการจะทําผลนขวายเข้าไว้เราจะได้มีความดีติดเนื้อติดตัวในเป็นไปในสำปรายพ บ, บ้างเาไว้ทุกมันอย่างนี้นะใช่ไหมล่ะนี่ไม่บอกกันนี่ไม่มีชุดดำโกรธกันเฉยเลย <EN> จะเล่นก <avez> ันตายก็เพราะไม่ใส่ชุดดำนี่แหละใช่ไหมล่ะมัเป็นถ้าอย่างนี้ถามว่าสังคมนี่สังคมสังคมยึดรูปแบบหรือสังคมยึดปัญญานยึดรูปแบบไม่ส่งเสริมสังสมควรแค่ไหนมักได้สองได้สามข้อ